On, <c oughs> ท่อภนพรท่านสาธุชนพ <c oughs> ุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมอีกครั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีนภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมรับฟังรับชมได้วันนี้เราก็ไปที่เด็กชายพีเคไปน็นอันดับแรก ส่วนมนมุษยเด็กชายพี่คกรรมนมันสการค่ะพระอาจารย์อ่ะจะให้ฟังค่ะกรรมนิมัสการนั่นนี่สองซ้ำอะไงฮะสองามอ่ะินดีไม่ได้ยินหรือพูดทางพว่าเจมีเกิสว่ก็ตัวพะก็ว่าจะทมุอทำมงอนิมัสามมล้สว่าก็ตัวสุปฏิัติปัญโนุปฏิบปัโนก็ะ เราก็ส um, ังกูสังก์นามันก็เลยเราอาช่วยแต่กันน hey evet ั่งดูสับขวานตัวะตัวทำไมเสือไม่ทิศนสับขวานตัวละวทมเส่นั่งดูะเสอไ่ทิศอิทธิพิสุภิเศษสีอินาอิมี่ว์ั้นับ มองว่าตัวตัวกันทีันกว่าคันส่าเธอจ่ที่นี่กันนะกันสว่าไม่ได้นชมฉันไมรกันะ่าันิมอนมงมุดตาหนางมุดยล้หุนนัังี่สาวก็ไมังายกังกพกพาายกัยยั อ่าไปแล้วเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งนี้แม่กับกัปปะจันตระแม่แม่สกันกัปปะจันตอนนี้ยังอยู่ที่ที่โตเกียวอยู่เลยใช่กัปปะจันอืมโอเคเป็นเด็กดีนะครับอาผมต่อมน้องสกันกับประจันออย่าสร้างเวลากรรมเองฮะยังม่ชอบจับตัวหนูไปค่ะ กรรมนวัตกรรมนะคะพระอาจารพวกนี้กลับคนเดียวค่ะเขาขออยู่ต่อค่ะอยู่กับพาก็เลยไม่เคยห่างเลยเพิ่งครั้งแรกเนี่ยค่ะแต่เขาขอร้องว่าหนูขออยู่ต่อได้ั้มก็เลยอยอมให้เขาอยู่ค่ะการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาค่ะอาจทําใจไว้จะได้ไม่ทุกข์สองการพัดพาจากกันเป็นธรรมดาโรงพยาบาลพัดพากจากกันไปไม่ได้ พระอาจารย์แต่เขาดีใจมากค่ะีไหมไม่มีอะไรค่ะพระอจารยขอพระอาจารย์ทัดันแข็งแรงนะคะโอเคอันนี้เด็กๆกเด็กๆกหายไปหมดเลยนะเหลือแต่จะมาเกิดชาที่มว่ามาจะเป็นลบนำมาสการพระอาจารย์ครับครบสองัครับเอามาเลย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 เราทํากรรมใด ไ, ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นอาญาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม น, น, นั้นสิบไปเราทั้งหลายคนไปเจรณญในอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะอ่าบทแห่งกรรมนี้เป็นบดตายตัวนะต่อรองไม่ได้นะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ไม่เป็นประเด็นสาคัญทํนะาบาปก็ต้องรับผลของบาปทําบุญก็รับผลของบงุญจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะอะ่รู้ไม่รู้ก็ทําไปก็โดนนะ ได้ครับนะต่อรองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำตามที่พระเจ้าสอนให้ละบาปให้ทำแต่บุญจิตใจก็จะปลอดภัจยจากอบายจากทุกขติเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปพังๆก่อนครนบะจนกว่าจะมีปัญญาเห็นวิปัสสนาเช่นเห็นร่างกาย ว่าไม่มีตัวตนมีแค่อาการ32เป็นตน้นครับว่ามามีอะไรบ้างาร่างกายมีผมผมและตอนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหวัวใจตับขมือไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำ ouais> เลือดน้ำเนี่ยน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำข่อยข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำข่อยข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดีนี่ในสมองสีซับอาหารเก่า อาหารใหม่ส้น้อยเส้ใหญ่ปอดใตมือถือตับหัวใจม้ามยนนันในกระดูกกระดูกเอน็นเนื้อหนังฟันเล็บลนผงมีตัวเราอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีนะผมไม่ใช่เราคนไม่ใช่เรานะคับร่างกายไม่ใช่เราเอเป็ะนเราอย่าไปทุ์ ก, กับมัน มันจะเป็นยังไงล้วก็ห้ามมันไม่ได้ครับจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันรเราอย่าไปทุกข์กับมันต้องปล่อยวางโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอันนี้นั่งสมาธิได้กี่นาทีแล้วสี่สิบนาทีครับสี่สิบนะทุกวันนะใช่ครับโอเคสงบบ้างไหมก็สงบบ้างบางวันก็ไม่สงบครับ พยายามทำไปเรื่อยๆกแล้วกันเนหะ็นไงก็สร้างวิริยะบรามรมีสร้างความเพียรพยายามไว้ก่อนครโอเคมีทานี้นะมีคำถามว่มไม่มีนะ่ามอทานนี้ก่อนราบขอบคุณพระอาจารย์ครั บ, รบน้องทีมไมอ้อันนี้น้องทีมไม่อยู่เลย นมาสการค่ะพระอาจารย์เขาอยู่ค่ะพระอาจารย์พอดีเขาเพิ่งทําแบบฝึนหัดเสร็จแล้วไปอาบน้ําแล้วเขาให้มายังมาไม่ทันนะคะพระอาจารย์เข้ามาทีหลังก็ได้เดี๋ยวถ้าให้เงินเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาอีกทีก็ได้ค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณมากเจ้าค่ะโอเคเงินไปที่คุณแอนต่อเลยแอนตอนนี้อยู่ที่ไหนกล่าวน้ำมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ อยู่ญี่ปุ่นเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจู่ไปไปปารีสแล้วค่ะอยู่ที่โตเกียวแล้วใช่ค่ะอืม เ, เป็นไงบินเบื่อไหมแล้วจะเป็นเป็นปกติแล้วไม่ไช่ไปคิดอะไรของมันไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะก็บินบินเป็นเป็นอาชีพเจ้าค่ะเป็นเป็นงาน <evet. S 1> ค่ะพอถอดถึงที่พักก็พักผ่อนเตรียมเตรียมไปบินเป็นบนรูปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วเจ้าค่ะอืม ทำมาหากินเลี้ยงป่ากเลี้ยงท้องค่ะค่ะเก็บเงินเจ้าค่ะอีกสามปีสามปีเขาไม่ให้ทำกันต่อแล้วค่ะแล้วก็ตั้งใจจะออกด้วยเหมือนกันเขา อ, อายุเข า, ม, ามีอายุเรียนอายุอะไรนะใช่ค่ะก็เป็นอาคอนแทคอะค่ะอย่างอย่างถ้า<อ>คนไทยก็ถ้าอย่างหนูไม่ได้เป็นตําแหน่งสูงก็อยู่ได้ถึงห้าสิบอีกสามปีก็ห้าสิบพอดีก็ถ้าไม่ต่อสัญญาก็คือจบแค่นี้ค่ะ <Ừ. S 2> แต่ถ้าอยากจะต่อก็ต้องขวนขวายเรียนภาษาแล้วก็ไม่สามารถใช่ค่ะแต่คิดว่าพอแล้วเจ้าค่ะเอาแค่นี้พอดีแล้วแหะเ อ, า, ะเอ า, าสิ่งที่ ม, มีประโยชน์มากกว่าเงินทองดีกว่านะค่ะตอนนี้ก็คิดถึงคิดถึงทุกวันเจ้าค่ะว่าอีกสามปีไม่ได้ทํางานแล้วก็เตรียมตัวเก็บเงินแล้วก็คิดว่าละอะไรได้ก็ก็ลดลง ทีละนิดเจ้าค่ะค่ะดีตอนนี้ก็ปฏิบัติค่สิบสิบสองชั่วโมงหรือสิบหกชั่วโมงน่าจะสิบสี่ชั่วโมงค่ะเพราะว่าบินอ้อมไม่ได้ไม่ได้เข้ารัสเซียมันต้องอ้อมรัสเซียไปอ่ะค่ะคือย่างหลายปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมยังห้ามบินข้ามอยู่ยังไม่ได้บินข้ามไปได้ก็เลยต้องอ้อมไปทางกรุงเทพเนี่ยว่าทางกรเลพ ไม่น่าอืมหนูก็ไม่หนูจำหนูไม่เคยไม่เคยพูดเรียนตามตรงว่าไม่เคยมองเลยค่ะแค่รู้ว่าจะกี่ชั่วโมงแล้วก็รู้แต่ว่ามันมันมันบินอ้อมแค่นั้นนะค่ะอืมอ้อมไปไปทางทั่วโลกเนี่ยนี่แหละน่าจะค่ะเพราว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้บินย้อนกลับมากรุงเทพอืผ่านไปทางทะเลซะส่วนใหญ่อืมค่ะก็สิบสี่ชั่วโมงครึ่งอ้อมไปเยอะเลยค่ะ เราทางานไปพักไปด้วยค่ะก็ระหว่างไฟล์ก็ได้นอนค่ะอย่างน่าจะได้คนละอย่างน้อยสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งอะค่ะอืมก็ดีได้ไ ด, ได้บินยาวมันจะดีค่ะได้พักผ่อนถ้าบินสัน้นบางคนก็ชอบบินสัน้นแต่หนูชอบบินยาวมากกว่าเพราะว่ามันได้พักผ่อนบนเครื่องด้วยเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันมันมันมีเวลาให้นอนให้พักผ่อนเร์อาหารสองครั้งใช่ค่ะสองคั้งโดยประมาณสองครั้งแล้วก็กลางไฟล์ก็มีเสิร์ฟสแน็ค Mm hmm. เพราะว่ามันมันนานมากเผื่อผู้โดยสารหิวค่ะคน mm hmm. คนฝรั่งหิวตัวใหญ่กิน <c oughs> mm hmm. สองมือไม่พอต้องมีขนมแจกด้วยค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้หนูก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็นั่งไปได้สองรอบรอบแรกได้ไปชั่วโมงห้าสิบเกือบสองชั่วโมงแบบว่าไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ฝืนตัวเองอะค่ะนั่งไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็เมื่อกี้ก่อนก่อนมา มากราบหลวงพ่อก็ได้นั่งไปอีกหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะเอัดีค่ะแล้วก็มีโอกาสก็คิดถึงอนนี้จังทุกขงกังอนัตตาไปด้วยนะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาั้งหมดนงะค่ะตอนนี้หนูก็พยายาม พ, พยายามทําให้ให้ได้เอปล่อยวางสมาธิแล้วก็ทําสมาธิให้ได้ให้ได้แบบฝึกให้<ะ>ให้มันได้นานนะค ะ, ะแต่ก็ยัง ยังไม่ได้นานแต่ว่าก็ดีดีขึ้นเจ้าคะ่ะรู้สึกว่าอ่าหยุดคิดได้ได้บ่อยขึ้นได้ได้นานขึ้นค่ะสมาธิจะช่วยให้เราปล่อยวางได้ค่ายขึ้นค่ะเมื่อกี้ก่อนจะก่อนจะเข้ามากราบหลวงพ่อก็ก็แบบได้สงบไปสักพักนึงคะ่ะแล้วหนุ่บังเอิญ น, นั่งเลยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้พอกําลังเข้าไปได้ปุ๊บนาฬกาปลุกดังพอดีเลยเลยเสียดาย ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ตั้งในกระปุกก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าซูมเดี๋ยวไปเข้าเดี๋ยวไปเข้าต่อเข้ามป เ, เข้าใหม่ก็ไดนะ้ค่ะเดี๋ยวอาจจะลองก่อนนอนอีกสักรอบหนึ่งอ่าทําได้บ่อยๆยิ่ดีไม่<า>ไม่มีเพศในไปค่ะวันนี้ก็ดีใจนั่งไปได้นั่งไปได้สองรอบก็วันนี้ก็สองชั่วโมงกว่าเดี๋ยวอาจจะลองอีกสกรอบหนึ่งค่ะค่ะแล้ว<า>มีความสุขนะค่ะ ก็พยายามพยายามฝึกไปค่ะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุมาที่น้องทิมต่อน้องทิมอาบน้ําเหรอนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งอาบน้ําเสร็จจ้าวันนี้อาบสักนาทีนั่งนั่งสมาธิได้เท่าไหร่เออประมาณห้าสิบนาทีครับนั่งวาน้อยกว่าที่นี้แบบเออลืมนั่งไปสองวันครับหนึ่งสี่วัน่ะ เหอห้าวันวันละสิบนาทีเลยสิบเอ็ดครับสิบเ็ดนาทีอืมทำไมเราลืมไปเล่นเกมลยใช่ครับคับโอเคก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามครับแล้วก็พัฒนาเพิ่มทำให้เพิ่มมากขึ้นได้ครับจากสิบเป็นสิบเอ็ดจากสิบเอ็ดเป็นสิบสองนาทีละนาทีอืมคับ เดีจะบอกพารอาจารย์ไหมก็วันเออวันก่อนเอออลยอารวาดไปครับอะไรนะครับอารวาดไปครับอารวาดเหรอไม่มีสติเคร บ, ครบทำไมเหรอใครไปทำอะไรคุณแม่ออจะรีบไอแพดกับโทรศัพท์ครับเออแล้วเป็นยังไงจะตายให้ได้นะถ้าไม่มีไอแพดมัน ใชสส่สมัยก่อนคุณสมัยก่อนตอนที่คุณแม่เป็นเด็กก็ไม่มี iPad ไม่มีทร่อสัมแม่ก็อยู่มาได้เราต้องเราต้องหัดทําใจว่าบางทีเราก็มีบางทีเราก็ไม่มีไม่มีเราก็อยู่ได้อย่าไปเพิ่เสิ่งตอนนี้มากจนเกินไปไม่มี i อแพอยู่ได้ไหมอ่ะอยู่ได้ถ้าไม่มีแม่ล่นะอยู่ไม่ได้ ก็ต้องลงโทษบ้างนะไม่งั้นก็ไม่มีไม่ไม่เชื่อฟังไม่ไม่เขียนลาใช่จ้าวหาอาจารย์ก็ก็เห็นงแต่ว่าเราไม่ลงโทษแบบสมัยก่อนไม่ไม่หดไม้ไม่ตีด้วยไม้อะ<ค>ไรให้มาตรการอย่างอื่นค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็ลงโทษแบบอื่นนะคะอาจารย์อื<ๆ>เขาก็ครั้งนี้เขคงได้เรียนรู้แล้วละค่ะว่า ถ้าเขาไม่มีแม่มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเขาต้องเขาต้องเขาคงหวังว่าเขาจะคิดได้ค่ะพระอาจารย์แต่เราก็อย่างที่เหมือนที่พระอาจารย์หนูก็กลับมาคิดถึงที่พระอาจารย์มักจะพูดอยู่เสมอนะคะว่าเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็เราสอนสั่งเขาได้แต่ว่าเขาจะเขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะทําตามหรือไม่ทําตามมันก็อยู่ที่ตัวเขาเลย่ะคือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ปล่อยวางอะไแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์อื เรามีหน้าที่สอนก็สอนใไปใมีหน้าที่สอนค่ะถ้าเราไม่สอนเราก็บอกเข้าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพอาจารย์ก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอะค่ะพรอาจารย์แล้งคื อ, อหนูจะกลับเรียนพระอาจารย์ด้วยค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอะค่ะพระอาจารย์คือหนูรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเวลาที่เรามีความทุกข์อะคะ่ะมันจะมันจะมันจะมันนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมันจะยากกว่าตอนที่เราแบบว่าเหมือนสภาวะปกติที่ไม่มีอะไรอะไรแบบเนี้ค่ะมืนแบบตอนนั้นเราจะนั่งได้แบบสบายใจกว่าอะไรแบบเนี้ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรจะปฏิบัติตอนที่เรายังแบบว่ายังไม่ได้มีทุกข์เข้ามาทดสอบจิตใจเราอะไรแบบนี้ค่ะค่ะจะนูคีป์แบบนี้ยค่ะ ก็เหมันกันทกําการบ้านไว้ก่อนเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อน<ะ>แล้วพอเจอทุกเราก็จะได้สามารถฟันฝ่ามันไปได้ง่ายกว่าได้ง่ายค่ะแล้วบางทีอาจจะต้องใช้ปัญญาแทนสติก็ได้เวลานั่งแล้วมันไม่ยอมอยี่ยวกับพุโทโธ<ะ>ไม่ยอมอยู่กับลง<ะ>ก็ต้องเอาเรื่องที่ทําให้เราทุกนี้มาพิจารณาว่าเราทุกข์กับใครทุกข์กับอะไรออื<ะ>สาเหตุของความทุกข์นี้เกิดจากอะไรมีความดื <Because you. S 1> <ะ>้อ ทุกพอลูกนั่งเราไม่สงบเราไปพิจารณาว่าลูกเรานี่เขาเป็นอนิจจังหรือเป็นอนัตตอ่าหรือเขาเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาที่เราควบคุมบังคับได้หรือเปล่าอือค่ะเขาไม่สบายเขาจะเป็นอะไรในละห้าของเขาได้หรือเปล่าสมมุติออาค่ะนี่มันก็ใช่ตายรักเข้ามาพิจารณาค่ะถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังอนัตตาทุกก็จะหายไปคะแต่ได้ไปเห็นว่าเป็น ของถาวรเป็นของที่เราควบคุมบังคับได้ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะมันตอนนี้ควบคุมบังคับไม่ได้ค่ะก็หนูก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราปล่อยอะคะ่ะพอถึงจุดหนึง่งพอเรารู้สึกว่าเราปล่อยวางได้เนีะทุกข์ในใจมันก็ก็ลดล ด, ลดลงไปได้แบบเยอะเลยอ่ะคะ่ะอาจารย์ <laughs> หนูว่ามันเป็นที่ใจอคะค่ะถ้าเราปล่อยอปล่อยวางได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์แบบเนี้ยคะ่ะก็รู้ ปัญญาจะมีประโยชน์ตอนที่เราทุกข์ถ้าตอนที่เราไม่ทุกข์ปัญญามันเรายังไม่เห็นคุณคุณภาพความสามารถของปัญญา <S <S ปัญญาเนะ่ะถ้า <S <S <ม>เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยาเรากินเข้าไปมันก็ไม่มีความแตกต่างแต่ถ้าเราเป็นไข้เป็นโรคขึ้นมาแล้วได้ยามากินแล้วโรคหายเนี่ยมันจะเห็นคุณค่าของยาปัญญาก็เหมือนกันปัญญา น, นี่มันมีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจ เวลาที่ไม่มีความทุกข์ใจเร า, เราพิจารณาไปมันก็รู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรแต่บางทีก็ต้องพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนทําการบ้านไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนพิจารณาตายรักไว้ก่อนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของเราพอเวลาใจเราทุกข์ขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเห็นไหมเราไปอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมเราอยากให้เขาเป็นของเราเป็นเราใช่ไหมเป็นเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ใช่ไหมอ่าก็เหมือนไม่เป็นมาได้ Mm hmm. อ, อันนี้พูดถึงเวลานั่งสมาธิแล้วเกิด <Yeah. S 2> อยู่อยู่กับลมไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้ส่วนมนต์ก็ไม่ได้มีแ mm hmm. ค่แต่เรื่องที่ทำให้เราทุกข์นี่ <Okay. S 2> ก็อาจจะต้งองเอาปัญญามาใช้ okay. ได้ค่ะพระอาจารย์ก็กล่าวเขาเขาขอขอคุณพระอาจารย์มากเจ้เดี๋ยวพอดีวันศุกร์นี้หนูลางงานพอดีอะค่ะเพราะว่าตรงกับวันพระหนูตั้งใจลางานเพื่อที่จะขึ้นไปฟังธรรมนักกุฏิด้วยนะคะหนูวันศุกร์นี้ก็จะขึ้นไปกราบพระอาจารย์นะคะใ่่เชิญค่ะค่ากราบนะครับขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะไปที่คุณยินเดชลุยมีคําถามค่ะเข้ามาร่วมพิธีกรรมกับเพื่อนๆค่ะ โอเคคนใกล้ตัวก็ไม่ได้มาด้วยนคะนใกล้ตัวกือกิึเมื่อแน่สมาธิเสร็จแล้วตอนนี้หลับไปแล้วค่ะเพราะว่า <Yeah. S 2> เขาอยู่คือช่วงกลางวันหนูไม่ได้ให้หลับอะค่ะพระอาจารย์อืมกลัวเดี๋ยวเขาจะเข้าระบบไม่ทานได้ค่ะอาจารย์โอเคไม่เป็นไรโอเคเมื่อส <Okay. S 2> มาธิเสร็จแล้วเพิ่งหลับอืมเดียกก็ พยยามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเพไม่ทิ้งอาจารย์ธรรมะเป็นสันะิเป็นที่พึ่งของใจขอบพระคุณท่านอาจารย์ยิ่งใหญ่สูงค่ะก็ปฏิบัติตามท่านอาจารย์ตลอดค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ใหสูงค่ะนี้ไปหนักโอเคคุณบัวต่อคุณบัวอยู่น้องคายอยู่ที่ไหนอยู่น้องคายอยู่ค่ะอืมอืม งงช่วงนไม่ได้ทําทําทานเลยเจ้าค่ะมีแต่พิจารณานะได้เรืงทำบุญทําทานก็แลนะ้วแต่โอกาส <c oughs> ไม่ใช้วราต้องทําทุกวันวเราทรํารวมๆกันได้วเวลามีโอกาสทำว่าทําเผอวันที่เราไม่ได้ทําไปก็ได้ถ้าเจ้นนาค่ะแต่เราอยากจะ <c oughs> ทําบุญทุกวันไถ่บาททุกวันวันไหนเราไม่ได้ทําแล้วก็เอากันที่จะทํานั้นใส่กระปุกไว้ก็ได้ <c oughs> พอแต่มีโอกาสก็เอามาันรวบรวม ก, ก, กันแล้วก็ทำทีเดียวพร้อมกันอะไรก็ได้ออเจ้าค่ะถ้ายังไม่มีโอกาสแล้วก็ใส่กระปุกไว้แล้วก็รวมทีเดียวค่ะเจ้าค่ะแล้วจดบัญชีไว้ก็ได้จดบัญชีว่า <c oughs> วันนี้ทําบุญสิบาทพรุ่งนี้สิบบาทอะ้รพอถึงเวลาเวลาที่จะ ท, ทําทีเดียวก็เอามาบวกลบเจ้าค่รวมวันแล้วก็ออนไปเจ้าค่ะ พยายามอยู่กับตัวเองเจ้าค่ะพ่อแม่หรือว่าลูกก็ได้จากกันหมดแล้วก็พิจารณาไปเจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเราทำตัวเราทุกคนก็แค่ดินน้ำลงไปเจ้าค่ะใจก็เป็นผู้รู้เป็นท่านรู้เจ้าค่ะไม่มีอะไรเป็นของจริงของแท้ร่างกายของทุกคนเป็นของของชั่วคราวเจ้าค่ะ ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ฝึกสติไปว่างก็เข้าสมาธิบ้างเจ้าค่ ะ, ะพย า, ยามหาความสุขธรนมจากสมาธิต่อไปเราจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเจ้าค่ะร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคสาธุคุณจุ๊บต่อโกเบจุ๊บได้ยินไหม มาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงสวายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์สวายดีไหมเจ้าค่ะอ่าสบายดีจ้าอ่าวันนี้หนูมีเอ่อขอโทษนะเจ้าค่ะเดีดหนูอันนี้มันไม่ไม่ยินค่ะฮัโหลอ่าค่ะพระอาจารย์คือหนูวันนี้หนูมีคําถามกับเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมอืมในพระพุทธเจ้าท่านท่านตัดว่าอ่าหลักของการปฏิบัติ ก, ก็คือ ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ผ่องใสทำยังไงล่ะเจ้าคะ่ะแลนี่นะ น, นั่งสมาธิการ น, นั่งสมาธิแล้วก็การเจริญวิปัสสนานี้เป็นการทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะเราเรากำจัดสิ่งที่เศร้าหมองคือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจการภาวานาเนี้่ยสมถะภาวานาคือสมาธิ มีปัสศนาบาลนาะคือปัญญาเนี่ยน้องตัวนี้เป็นตัวมาซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เอากำจัดความโรคปวดหลงออกไปหมดจากใจเอาความอยากออกไปหมดจากใจแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบานเป็นบริสุทธิ์พุทโธเป็นนิพพานไปก็คือการละละกิเลสทั้งหลายอย่างนี้เหรอเจ้าคะละกิเลส<ะ> ล, ละโลกกนลง เวลานั่งสมาธิก็หยุดโลภโกรธลงไม่ชั่วข่าวเวลาจิตสงบความโลภโกรธลงก็ไม่ทํางานแล้วพอออกจากสมาธิมาพอพอโลภโ ก, กรธลงแล้วโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญากําจัดมันโลกอะไรก็มองว่าของที่เราโลภอยากได้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยมเป็นของชั่วข่าวไม่สามารถเก็บไว้เป็นของเราไปได้ตลอดพอได้มาแล้วพอเขาจากเราไปก็เสียใจะ เวลาโกรธนะให้เมตตาใช้เมตตาหรือว่าเราอยากไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราแล้วเราก็จะไม่โกรธที่เราโกรธเพราะเราอยากให้เขาทำอะไรกับเราหรือให้อะไรเราเขาก็ไม่ให้เราเราก็เลยโกรธเขาที่ที่มันผ่องใสนี่คือมันมันคือความเบิกบานในการที่เราจะไม่มีอารมณ์ใจว่างใจเป็นอเอวัยขามไม่มีความรักช้กัวหลง ก็ตอนที่นั่งสมาธิมันไม่เกิดเห็นผลเลยนะจิตสงบแล้วมันจะสุขมันจะมีความสุขมากแต่เพียงว่ามันไปนความสุขชั่วคราวในสมาธิพออยากสมาธิมาพอกกิเลสออกมาทํางานความสุขนั้นก็จะหายไปเราต้องใช้ปัญญาคอยกําจัดกิเลสด้วยไตรลักษณ์ให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์มันก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปกิเลสก็หมด เพราะมันมีกิเลที่ใจก็ผ่องใสสงบตลอดเวลาโดยไม่นั่งเข้าสมาธิงั้นความหมายก็คือแต่เดิมแล้วจิตเรามันใสอยู่แล้วแต่ว่ามันมีมันมีพวกกิเลสนี้มันเข้ามาทําให้มันขุ่นมัวแล้วเจ้าคะใช่ไ้มเจ้าค่ะแบบนี้คือมันไม่ใสสิมันมีกิเลสตลอดเวลากิเลสไม่ได้เข้ามากิเลสมันอยู่ในใจเราตลอดเวลาอืม ก็คือเร า, เราต้องมาชำระออกเออเวลาที่เราทำสมาธิเราก็แยกกิเลสออกจากใจเราชั่วข่าวดันนะั้นอะันจะิตผ่องใสตอนที่เข้าสมาธิกิเลสหยุดทำงานออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับเข้ามาใหม่เราต้องใช้ปัญญาถ้าอยากจะกำจัด ก, กิเลสอย่างถาวรพอสมาธิกำจัดอันนั้แบบชั่วขา่าว เจ้าค่ะอ่าตอนนี้ทําสมาธิให้ได้ก่อนเนาะทำสมา้ททำใจให้สงบแล้วกิเลสก็จะหยุดทํางานชั่วคราวจิตก็จะผ่องใสเป็นเหมือนจิตเดิมเขาเรียกวาจิตเดิมแต่เขาเรียกจิตเดิมมันก็คือจิตที่มีกิเลสนั่นแหละเห็นไหมว่วลามันสงบมันก็เลยมันเหมือนกลายเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสชั่วคราวแต่กิเลสยังไม่ตายจากการเข้าสมาธิ การกิเลสตายต้องใช้ปัญญาหลังจากออกสมาธิมาแล้วพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาฆ่ามันตัดมันให้หมดไปอาจารย์เจ้าคะแล้วจิตเดิมของเราเนี่ยมันมันใสใช่ไหมคะอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วกิเลสเนี่ยมันเริ่มต้นมาจุดมาจากตรงไหนตั้งแต่แรกอ่ะคะ่ะคือมันเข้าใจผิดนะคําว่าจิตเดิมก็คือจิตที่เข้าสมาธิ จิตที่เข้าสมาธิเป็นเหมือนจิตที่นิ่งสงบจิตที่ไม่มีการกระทําอะไรก็เรียกว่าเป็นเป็นจิตเดิมอ่ามันไม่มีจิตจิตนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจุดจบเพราะยา ม, มันเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับงั้นอย่าไปหาอย่าไปหาคําตอบจากว่าจิตเกิดเมื่อไหร่จากจากที่ไหนไม่มีคําตอบคําตอบก็คือไม่เกิดเมื่อไม่เกิดไปหาที่เกิดได้ตรงไหนเนะ่ะอเห็นไหม ถ้าราไม่เกิดนี่เราจะไปหาที่เกิดที่โรงพยาบาลที่ไหนอ่ะเราไม่ได้ไปเกิดในโรงพยาบาลอจิตไม่มีที่เกิดมันไม่มันไม่เกิดมันไม่ดับจิตไม่มีป่าช้าจิตไม่มีที่เกิดไม่มีที่ตายแล้วค่ะเวลาจิตสงบแล้วก็จะจิตเดิมท่นเองแต่ไม่ใคือจิตจิตที่สงบนิ่ง เขาเรียกว่าจิตเดิมนี่เขาว่าจิตเดิมมาจจะฟังแล้วเข้าใจผิดทำไมที่ว่าจิตเดิมมันจิตเริ่มต้นจิตจิตที่จุดเริ่มต้นไม่ไม่เลยหมายความว่าอย่างนั้นคือจิตเดิมคือจิตที่สงบกิเลสไม่ทํางานเขาเรียกว่าจิตจิตเดิมพอจิตเริ่มปรุงแต่ก็กิเลสก็โผล่ขึ้นมาทันทีพอคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาทันที พอคิดถึงหนังก็อยากจะดูขึ้นมาทันทีนกิเลสมันพอตามความคิดน่ตอนที่จิตสงบมันไม่มีความคิดน่จิตกิเลสมันก็เลยไม่ไม่ออกมาทํางาน okay. คือ <จะ S 2> เร า, เราต้องอยพยายามอะละกิเลสทั้งหลายอย่าอย่า้ย่ า, ยาไป<ร>นึว่าจิตเดิมย่าไปเชื่อจิตเดิมจิตเริ่มต้นไม่มีจิตเริ่มต้นนะค่ะอืม จิตนี้ไม่มีที่เกิดไม่มีที่ตายไม่เกิดไม่ตายมันอยู่ของมันเป็นอย่างนั้นแมท่านดินน้ำลมไฟมันก็ไม่เกิดไม่ตายธาตุดินก็มีอยู่มั่นนานาแต่ใดแต่ลายละดินน้าลมไฟนี่เพียงแต่ว่าเวลามันมผสมกันมันเลยทาให้เกิดร่างกายขึ้นมาอันเดี๋ยวพอมันแยกตัวกันร่างกายก็หายไปแต่ดินน้ำลมไฟก็ไม่หาย ยิ่น้ำรวมไฟก็แยกออกจากร่างกายไปเจ้าค่ะหน้าที่ของเราคือเราต้องกำจัดกิเลสทันั้นน่ะที่มันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาโลกวัยยาวก็ใช้ปัญญ า, า, ามาสอนว่าอย่าไปโลกสิ่งที่เราโลกอยากได้เป็นทุกข์ทุกข์เป็นของชั่วคราว อยากอยากได้แฟนเป็นยังไงพอได้แฟนมาแล้วกฟนรักเราตลอดหรือเปล่าแล้วรักเราชั่วคราวแล้วเราตอนที่เขามาจีบเราใช่ไหมพอเขาได้เราแล้วเขายังรักเราเหมือนเดิมอเปล่าไม่เหมือนใช่ไหมอันนี้จังหรืบอบปล่านี้น่จังค่ะไม่เที่ยงเลยแล้วเป็นไงถ้าไม่เที่ยงเราสุขก็ทุกข์กับเขาเลยนี่เลยมันก็ทุกสิเจ้าคะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ่ะ เอพอเขาเราไปสั่ hey. งให้เขาที่สั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะอืเขาเป็นาักตายใช่ไหมเขาเป็นดินฟ้าอากาศล้วสั่งดินฟ้าอากาศได้หเปล่าไม่ได้เจ้าค่ะอแล้วก็สั่งแฟนเราไม่ได้ใช่อืมให้รักเหมือนเดิมให้รักเหมือนตอนที่คุณมันเจอชั้นใหม่ใหม่ตอนนั้นเจอเจอใหม่ใหม่โ้ยรักรักยิ่งกว่ารักอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไหนเ้่ย เออค่ะแต่มันมันอมันจริแล้วมันถาวรหรือเปล่ามันไม่ถาวรเนียมันชั่วคราวเนี่เราปัญญาเข้าใจพวกนี้ทั้งหมดนี่มันก็เป็นมันก็ปล่อยวางได้ใช่ไหมคะมันก็หยุดความอยากได้หยุดความอยากแล้วมันก็จะพออยากจะได้ว่าสิ่งนี้โอ้ยน้ารักนั่น ได้มันล้วจะมีความสุขแล้วบอกสุขเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นเป็นอย่างอื่นไปนะเพราะมันเปลี่ยนแล้วมันก็กลายกลายมีความทุกข์ขึ้นมานะเดี๋วได้มาแล้วเดี๋ยวเขาจากออกไปทําำไงมีอะไรการันตีว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าไม่มนะีเนี่ยคืออนิจจ์อนัตตา ถ้ามองเห็นสองตัวนี้แล้วก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่มีความอยากได้เลยที่ทุกข์เอยากอยากได้พอได้มาเวลาตอนอยากก็ทุกข์พอได้มาก็ดีใจเดียวเดียวสิ่งที่ได้มาเปลี่ยนไปก็กลายเป็นความทุกข์อีกเข้าใจแล้วจ้ะค่ะอืเข้าใจจะทาทำไม่ได้ใช่ไหม เขาจะบางทีมันทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างค่ะปัญญามันไม่ทั น, นะคะ่ะอาจารย์ต้องฝึกก็อย่งทุงอย่งก็ยังทนอยู่เขาได้อยู่นะทันค่ะอาจารย์แล้วทนอยู่ใ่ไหมต้องแข็งตัวกว่าอยังทนอยู่เขาได้นะก็อันบนี้จังบางทีเขาก็ให้บางทีเขาก็ให้ความสุขกับเราบางทีเขาให้ความทุกข์กับเราสนุกไปประมานเขาอารมณ์ดีเขาดีแสนดี ซื้อขนมนมาฝากพาไปเที่ยวฮะวันไหนเราไม่ดีก็ดา่าเราว่าเราจะค่ะมันจนนะคะมันจะไม่เที่ยงเข้าใจแล้วจค่ะ่ะไปบวชชี<ถ>ดีกว่าถ้าไม่เที่ยงไปบวชชีดีกว่าจะได้มั น, มนรับรับความทุกข์จากเขาอาจารย์คะหนูหนูก็อยากนะคะพระอาจารย์อยากไปบวชชีนี่ก็คือเป็นเป็นความอยากอย่างหนึ่ง แต่ว่าหนูก็มีความกังวลว่าเอ๊ะนักบวชชีวิตนักบวชกับชีวิตคารวาสเนี่ยชีวิตนักบวชท่านก็มีทุกข์เหมือนกันท่านทุกข์เพราะดับทุกข์อ่าแล้ทุกข์เพราะสร้างทุกข์อ่าพระยาท่านทุกข์เพราะท่านนั่งสมาธิก็ทุกข์ท่านหนดข้าวเย็นก็ทุกข์นี้การท่านท่านทุกข์เพราะเพิ่มจากข้ากิเลส เราใช้ฆ่ากิเลสแต่ทั้งมันทุกข์เพราะกิเลสมันสร้างมันต่อสู้มันต่อต้านเราพอเราชนะมันปั๊บกิเลสตายปั๊บทุกข์ที่เกิดจากกิเลสก็หายไปแล้นี้นอันนี้ทุกข์ก็สุขแล้วพวกเรามันสุขเพื่อทุกข์กันหาความสุขกันจากคนนัน้นคนนี้ถ้าพอคนนี้สวยก็เขาเปลี่ยนไปก็การเป็นทุกข์ขึ้นมา ไม่ว่าเราจะหาอะไราจากใครมันต้องเปลี่ยนไปหาจากคนหาจากสิ่งของหาจากอะไรทุกอย่างมันไม่เที่ยงมั mm ้ hmm. มีอย่างเดียวที่เที่ยงก็คือที่ไม่ทําให้เราทุกข์ก็คือความว่างไม่มีอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีถ้าเราอยู่คนเดียวได้ไม่มีใครจะมาทําให้เราทุกข์ได้ใช่ไหมแม้แต่ร่างกายเราก็อย่ามีต่อไป ถ้าเราปฏิบัติเข้าไปลึกๆเครื่ร่างกายเราก็ทิ้งได้เราก็ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องเกิดไม่ <c oughs> ได้เกิดก็ยังมีร่างกายก็ยังต้องมาทุกกับร่างกายอยู่ที่มันเกิดก็ยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยากดูก็ต้องมีตาดูใช่ไหมอยากฟังก็ต้องมีหูฟังใช่ไหมแต่ถ้าเราตัดความอยากตรานี้ได้ตัดความอยากในรูปเสียงกินร้อนได้ก็มไม่ต้องมีร่างกาย อยู่แบบไม่มีร่างกายสบาย ไ, ไม่ต้องมาแก่เจ็บตายกับร่างกา ย, ยากกนเนดดี่คื อ, กกดดอปัญญาอืาคือปัญญาเราต้องใช้ปัญญาให้เห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เราจะได้ตัดความอยากได้จ้าค่ะโอเคนี่เราสร้างข้อติดใจอ่ะสร้างข้อติดใจยิ่งใหญ่ยิ่งสวย นะงานลาบาปทำบุญนี่ยังเป็นของง่ายของกล้วยๆถึงสี่ห้าก็ลาบบาปได้นะถีห้าก็ทำบุญก็เนี่ยมีอยากจะใส่บาปเมื่อไหร่ก็ใส่ก็ได้บุญแนละ้วแต่ภาวานานี่มันยากมันต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนต้องไปบวชต้องไปอยู่คนเดียวอย่างนี้แต่ถ้าทำได้ก็ถือว่าเก่ง เราคิดอยู่ทุกวันเลยพรเลยคะ่ะาอาจารย์ยใช่ครับเขาบวชบัญชีเราต้องเราต้องอนุมโมทนาอนุมโมทนาเขาเก่งจริงๆนะคนผู้หญิงที่จะบวชบัญชีได้นี่ไม่ใช่ของง่ายค่ะเพราะมันเพราะก่อนที่จะบวชได้นี่มั น, ม, นมันต้องต้องคิดปับคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะหนีเสือป่าจะแล้วเข้หรือเปล่าจะอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันก็น่านคืออนุมโมทนาจริงๆคะ่ะคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดียวขนาดนั้นนะคะอืม อืหนู <c oughs> นี่ค<ม>ิด<ม>ทุกวันเลยค่ะอาจารย์น <c oughs> ี่แม่ชีคนเดินตามเดินเดินเดินเป็นลาจตามตามเราตามเราทุกวันอืมค่ะอืมหนูเคยค่ะหนูเคยครั้งนั้นที่กลับไทยไปหนูเคยหนูเคยไปวัดครัง้งไปวัดวัดนึงแล้วไปไปช่วยงานกระถินเขาแล้วมีแม่ชีคุยกับหนูก็คือรู้สึกถูกคอกับท่านมากแล้วหนูก็อยากรู้ชีวิตแม่ชีท่านก็ชวนหนูไป ไปนอนค้างกับท่านด้วยคืนหนึ่งหนูก็ได้ไปแล้วก็ท่านก็ตอนก่อนจะนอนคะ่ะท่านนอนในในเต็นต์นะคะ่ะนอนในเต็นต์ส่วนหนูนอนนอนพื้นอืท่านรู้สึกว่าท่านก็สอนหนูเยอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ตอนนั้นหนูก็ดูว่าเอชีวิตแม่ชีนี่แบบคือต้องสละจริงๆอะ่ะคือคือเหมือนขึ้นหนูมาดูที่ตัวหนูทุกวันเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์หนูยังติดติดสบายอยู่อะคะ่ะพระอาจารย์อืมมันเป็นโรคเสียงเกล็ดร้อนนั่นแหละ ใช่ใช่มันติดสบาย ม, มันยังติดสบายอยู่อะค่ะมันจะละได้ยังไนนงน้ออะไรเงี้ยก็คิดทุกวันเลยนะคะว่าจาย์เมื่อไหร่จะเด็ดเดี่ยวก็ไม่รู้ก็ <c oughs> ต้องก็ต้องทำเดียเล็กเทียน้อยหาเวลาว่างอาทิตย์ละครั้งไปอยู่วัดไปถือศีลแปดนี้อยู่อยู่แบบไม่ชีชั่วขราวไปก่อนซ้อมไปก่อนตอนที่เราพอเรามีกำลังก็เพิ่มจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันเป็นสามวัน คก็จะพยายามค่ะหนูคิดทุกวันเลยค่ะครับอาจหนูคิดทุกวันคิดทุกวันเลยค่ะดีไม่ดีเนาะดีไม่ดีเนาะเวลามีไปสัมภาษณ์แม่ชีลง y o u ูทูบลงอะไรอย่างเงี้ยหรือดูวัดกิจวัดแม่ชีนี่คือหนูจะเข้าไปดูตลอดเลยค่ะคระอาจารย์อ่อนี่ค่ะแต่ก็คงต่อไปก็จะได้เป็นค่ะ ต่าทุกค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าปฏิบัติได้ผลดีมันก็จะมีกำลังมากจิตใจจะมีกำลังแล้วมันก็จะอยู่หลบความทุกข์ยากลาบากได้ไม่สิ้สุดถ้ามีธรรมะแล้วมันมันมันีมันได้ความสุขจากธรรมะแล้วไม่ต้องอาศัยความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายใช่ค่ะก็จะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์เมื่อไหร่อินซีจะ เต็มก็ไม่รู้อจะแก่กัดพ ร, ระอาจารเเย์ยังต้องทำศรัทธาให้ได้ในใพระพุะทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังเทศฝังธรรมศึกษาไปเรื่อยๆน่าจะมีกําลังใจเห็นเห็นตัวอย่างที่ดีเห็นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกเห็นแม่ชีแล้วภิกษุนีที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีเจ้าค่ะ เขาเป็นได้แล้วก็ต้องเป็ น, นได้ะครับเราอย่าคิดอย่างนี้เขา ก, เ <Okay. S 1> ก็เป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงเขาเป็นได้เราก็ต้องเป็นได้แล้วค่ะโอเคอันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเ yeah. ดี๋ยวถึงบ้านจะมีคำถามดีๆมามาม า, ม า, ม, า, ม, ามาปะปนหรือวยาอือค่ะกลับ <laughs> ข okay. อบพระคุณเจ้าค่ะโอเคอะไรที่คุณอุตส่าห์ต่อกลับถึงบ้านแล้วเหรอ เรอยู่วันหลายวันเนี่ยแล้วว่าจถึงบ้านแล้วค่ะมันเป็นแม่ชีชั่วคราวเนี่ยกี่วันคะนี่หกวันนะหกวันใช่ค่ะหกวันค่ะแต่โยมโยมก็เป็นแม่ชีที่ไม่มียูนิฟอร์มนะคะจารย์เพราะโยมก็ถือศีลแม่ชีอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ร่างกายร่างกายเป็นเพียเครื่องแบบค่ะใชค่ะโยมแค่ไม่มีเครื่องแบบเท่านั้นเองค่ะจาน มีเครื่องแบบแต่แม่ในใจไ ม, ไม่ไม่เป็นแม่ชีก็ไม่เยอะแยะเป็นแม่ชียังไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยู่ไม่ถือว่าเป็นแม่ชีจริงอะยมยมทีแรกยมก็ถือศีลแปดเฉพาะช่วงเข้าพรรษาอาจารย์บอกว่าต่อไปก็ตลอดชีวิตเลยสี่ยมก็สาธุแสดงว่าอาจารย์บวชให้ยมแล้วใช่ไหมคะนั่นนะ <laughs> การบวชอยู่ที่ใจไม่ได้บวชที่ร่างกายก็ <laughs> วันนี้โยม67ปีเต็มค่ะอาจารย์พรุ่งนี้ก็จะเข้า68แล้วค่ะโยมกับพระคุณขอบพระคุณพระอาจารย์สำหรับพร อ, อัญมงค์นสูงสุดของพระอาจารย์นะคะให้เกิดชั้งสุดท้ายนะครั้งนี้เป็นช่างสุดท้ายพอแล้วตั้งใจทาค่ะอาจารย์แล้วก็การขึ้นเขารอบนี้โยมอยู่คนเดียวได้ค่ะอาจารย์ก้อนหินที่กลัวสวยแล้วค่ะก้อ <laughs> น ไปดูก็อหินสวยแล้วค่ะเป็นก้อนหินแปรเป็นหินแปรเป็นหินปูนไปยืนใกล้ๆดูใกล้ๆแล้วค่ะจันก็ลมค่ะก็ไปอยู่คราวนี้นะคะจารย์มันเจออะไรแปลกๆหลายอย่างอยู่ค่ะอย่างเช่นอปวดท้องใช่ไหมคะนั่งภาวนาไม่ได้มันปวดท้องก็ดูลมแข็งกับปวดท้องมันมันไม่ได้ยมก็เลยไปดูที่ปวดท้องแทน ยมดูที่ปวดแล้วเพ่งที่ปวดแล้วมารวมวุบไปที่ปวดนันนะค่ะที่ท้องค่ะมารวมวุบลงไปแบบไม่เคยไม่เคยเป็นค่ะอยู่วุบลงไปหายไปเลยแล้วก็นิ่งไปเลยค่ะอาการปวดก็หายไปเลยบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเพิ่งเจอค่ะอาจารย์เราหยุดความคิดปรุงแต่งได้มันก็สงบได้ใช่ค่ะมันเพ่งมันปวดปวดห้ามดูลมยังไงก็ไม่ฟังไม่ได้ค่ะอเพ่งปวดแทนมัน มันรวมตกลมนยมที่แปลกใจตรงที่มันรวมวุบลงไป <expedition> อ่ะค่ะการจะดูเพ่งความปวดได้มันจะต้องมีสติมีกําลังมากถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดความอยากหายให้หายปวดอ๋อไม่ไม่ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายปวดก็มันก็จะสงบได้ค่ะมันปวดมันปวดก็เลยไปเพ่งมันนะค่ะอาจารย์เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งปวดอย่างเดียวไม่ได้มีคําบริกรรมอะไรนะคะเพ่งอย่างไม่มีความอยากให้ให้มันหายปวดใช่ค่ะมันก็หายวุบไปเลยค่ะ การนั่งภาวนารอบนี้ก็ดีนะคะอาจารย์แต่เมื่อวานก่อนกลับอะพอก่อนจะกลับปุ๊บเราก็ไปคิดเรื่องบ้านเรื่องคิดทางบ้านแล้วก็ไอเรื่องบางอย่างมันก็ขึ้นมาปรุงต่อค่ะจารย์เดินภาวนาเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งภาวนาก็ไม่ได้ยมก็มาคิดเอ้านี่มันกิเลสก็ในเมื่ออันนี้เราตัดมันได้ไปแล้วนี่นาทําทไมเรายังกลับมาเล่นงานเราอีกเรากําลังโดนกิเลสหลอกหรือเปล่ายมก็เลยกลับเข้ามาในห้องอ่ะคะ่ะ แล้วก็กลับมาในเรือนะคะแล้วก็มาเอาหนังสือของหลวงตาอ่านในในยอดน้ะถ้ามีประมาณห้าบรรทัดจะโยมอ่านไปได้แค่สองบรรทัดปุ๊บจบปิดหนังสือแล้วมานั่งภาวนาคราวนี้ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คือเราไปปรุงเองจริงๆเราตัดมันไปได้แล้วค่ะเราผือตัวนิดเดียวเองมันก็มาเล่นงานเราอค่ะอาจารย์อืมแสดงว่ายังตัดไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ค่ะโยมบอกว่าอ้าวแสดงว่าเราขาดแต่ขาดไม่แบบสิ้นเชิงยังแค่ ได้ในช่วงที่เรามีสติออแต่ก็ก็มันยังกลับมาแสดงว่ามันยังไม่ขาดก็ต้องตัดมันจะไปยังวามมันจะไม่กลับมาะก็เลยบอกว่าอ๋อนี่ไงความกิเลสอันนี้มันคือความอยากของเราต้องต้องตั้งสติแล้วก็เอาใหม่ค่ะอาจารย์แล้วก็เอามันได้แล้วก็พเมื่อคืนนี้ก็คือไม่ออกมาเดินค่ะตั้งแต่หกโมงครึง่งเลีงภาวนาอย่างเดียว มันก็คือสงบนิ่งไปสบายค่ะจ่าแล้วก็ตอนเช้าก็คือยมจะใช้วิธีตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วนั่งภาวนาต่อเลยค่ะจ่าไม่ไม่สวดมนต์ก่อนนั่งภาวนาเลยมันจะดีกว่าที่เรามาสวดมนต์ก่อนค่ะใช่ถ้าปฏิบัติไปามากมากแล้วต่อไปมันไม่มันไม่อยากจะสวดนะเพราะมันจําเป็นนะคือยมก็รู้สึกเอ๊ะไม่สวดไม่ได้เดี๋ยวไม่ไหวครูยมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว การนั่งสมาธิก็เป็นการไหวค้ครูในตัวแล้ะปฏิบัติบูชาแล้วพอตื่นนอนตื่นนอนตีสามครึ่งนี้ก็คือล้างหน้าแปรงฟันปุ๊บนั่งภาวนาต่อเลยค่ะอาจารย์นั่งนั่งจนนิ่งนั่งสบายค่ะอาจารย์ดีค่ะอาจารย์แล้วค่ะแล้วก็พอเท่าที่มาก็คือรอบมีมีอยู่ครั้งหนึ่งยมจะพิจารณากายพอภาวนาเสร็จแล้วยมจะพิจารณากายมันขึ้นอยู่กับสภาวะธรรมของเราไหมคะในวันวันนั้นเราวิที่จะ พิจารณาการสิบสองมันไม่มันไม่ไปมันไม่สําเร็จแล้วก็จะมาพิจารณาอ่าท่าสี่มันก็ไม่ได้ยอมทั้งนั้นเอาเป็นอันนี้จังทุกขังลัตะก็น่ากําหนดให้ร่างกายมันหายไปเลยอย่างเนี้ค่ะเป็นเหมือนกับไม่มีอยู่จริงอย่างนี้ยประมาณนั้นนะคะอาจารย์มันขึ้นมันมันมันมันขึ้นอยู่กับในแต่ละวันอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือว่าเราไม่มีสติได้มันแล้วแต่แล้วแต่จิตบางทีมันมันมันมันสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีกว่า บางวันมันไม่ไมไมไมสัมผัสมันก็ไม่อยากจะพิจารณาใช่โยมก็เอ๊ะทําไมเราพิจารณาได้ทําไมเรานี้เราทําไม่ได้ก็มีอยู่อาจารย์โยมนั่งภาวนาเสร็จแล้วโยมก็จะมาพิจารณากายเขาคืนทัศสีอพอนั่งปุ๊บเริ่มเริ่มจากไม่ใช่อาการสามที่สองค่ะพอเริ่มเกสผมปุ๊บใช่ไหมคะอาจารย์มัน อ, อ่าครึ่งมาแบบนี้เลยโยมเฮ้ยเอาแบบนั้นเลยเหรอืมครึ่งเลยโยมก็ช่างเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอเออก็เอา้ขอโทษนะพูดไม่สุภาพเอาก็เอา โยมก็ปล่อยเข้าผ่าร่างกายว่าเป็นสองซี่ค่ะจันย์มันก็เราผ่าผ่าเอ่อทานไฟฉายอะค่ะมันเป็นดํานะคะโยมก็ปล่อยเข้าผ่าไปปล่อยให้จิตมันทําไปเองค่ะมันก็นิ่งนะคะมันก็อยู่กับอาการอย่างนั้นนะคะจันของมันดูค่ะค่ะการผ่าเหล่านี้มันเป็นการทํางานบ้านต้อเวลาที่เกิดเกิดความทุกข์กับร่างกายแล้วเราใช้มันมาดับความทุกข์เราได้หรือเปล่า ค่ะแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งที่โยมนั่งเครื่องบินแล้วโยมเรียนอาจารย์ว่ามันตกหลุมอากาศลงวุบแล้วร่างกายแล้วก็ใจเราเข้าสมาธิวุ้บไปเองโดยที่เราไม่ได้คิดจะเข้าอ่าคะค่<ม>ะอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าดูสิคราวต่อไปจะเป็นยังไงคราวนี้วันนี้ประกาศเ อ, อเอ่อกับอาจรประกาศว่าเดี๋ยวเราลมแรงนะวันนี้อาใช่ค่ะวันนี้ะค่ะวันนี้มันนิ่งค่ะอาจารย์มันนิ่งไปเองค่ะอาจารย์มัม ยมก็พอเขาบอกว่าวกําลังจะเข้าสู่กันยมก็เข้ามานั่งนิ่งดูลมหายใจแล้วมันก็นิ่งออาจารย์มันไม่มีอาการวิตกไม่อะไรมันก็นิ่งส่วนไหวแค่ไหนลึกแค่ไหนไม่ไม่รู้สึกไม่รู้แต่ว่าเครื่องสั่นแตไ่ไม่ไม่ไม่แบบมันเขาแรกอะคา่ะจันเนยเศรษฐิปัญญาเราดีวางเฉยได้วางวางยมจะใช้วิธีนั้นส่วนการเดินจงกรมนะคะตอนนี้โยมมามามาเจอกับตัวเองว่า ไม่สามารถบริกรรมอะไรได้คะ่ะ บ, บริกรรมได้นะคะแต่ว่ามันจะฟุ้งแล้วก็มันจะหลุดได้ง่ายกว่าโยมก็เลยมาใช้วิธีการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอค่ะจันดูตัดูถูกต้องดูเ<ม>ท้าก็ได้ใช้ขวาใช้ขวาไปก็ได้ดูเท้าแต่ไม่ไม่ซ้ายขวาดูเท้าเดินไปอย่างเดียวค่ะจย์มไม่ทาบริกรรมพอมันขึ้นมาปุ๊บมันจุดเง่ายกว่าเมื่อพอมันอไม่ความคิดปุ๊บมันจะ ตัดง่ายกว่าที่เรามีบริกา ร, รมค่ะอาจารย์ณนะตอนนี้นะคะก่อนหน้านิยมก็ใช้บริกรรอยู่แต่พอมาตอนนี้มาเป็นดูการเคลื่อนไหวอย่างเดียวแล้วก็เดินมาไม่ต้องเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องเดินเป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนค่ะเดินไม่ต้องเยอะแล้วก็กลับมานั่งสมาธิต่อได้ค่ะอาจารย์อืมก็ดีค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะสาธุค่ะอาจารย์ก็อยู่บนเขาคนเดียว มันก็ได้นะคะจารย์ไม่ยมน่ะขอขมาอาจันนะคะอาการของยมที่โยมหันไปบอกอาจารย์ว่ายมอยู่บนเขาคนเดียวนะวันนี้อาจารย์บอกว่าพูดโทไปยมว่าไม่รู้แหละอย่างเงี้ยอา้าวทาไมเระพูดจากับอาจารย์ไม่สุภาพอย่างเงี้ยถ้าเป็นเม mm ื hmm. ่อก่อนรู้สึกไม่ดีแต่ว่าอ๋อไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วต่อไปจะมีสติให้มากขึ้นค่ะอาจารย์อ mm ื hmm. แล้วก็อยู่บนเขาคนเดียวตื่นเช้ามามันสดชื่นดีนะคะอาจารย์มัน ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเราปรุงไปเองหมดเลยค่ะอาจารย์อยู่ได้ค่ะอยู่ได้มีความสุขดีค่ะอาจารย์ความคิดตัวร้ายกันก็คือตัวความคิดเนี้ยเราต้องคอยคอยดูอย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางกิเลสนะเนี่ยถ้าคิดไปในทางธรรมแล้วมันก็จะแนงอจะสงบค่ะทีแรกพอไปปุ๊บเฮ้ยเราจะไปคิดตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันเทิเฉยอยู่เฉยเยอจารมันรู้สึกออกมาข้างอกตอนเช้าตอ น, ต อ, นออกมาตีห้าค่ะอาจารย์ออกมาก็ อากาศดีเนาะก็เดินจงกรมไปตอนนี้ mm hmm. ตอโยมก็จะใช้วิธีตอนหัวค่ําใช่ไหมคะอาจารย์สวดมนต์ mm hmm. ภาวนาเสร็จแล้วก็จะออกมาเดินประมาณสามทุ่มออกมาเดินแล้วก็กลับมานั่งภาวนาต่อแล้วก็นอนแต่พอวันก่อนกลับเมื่อคืนโยมไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าโยมว่าถ้าออกมาเดินปุ๊บมันจะปรุงได้ง่ายกว่าการที่อยู่ในเรือนเนี่ยเราภาวนาต่อแล้วเราพักแล้วเราก็ภาวนาต่อมันจะดีกว่าคะ่ะอาจารย์สําหรับโยมนะคะอืม mm hmm. พอเราไม่ได้กลัวแล้วเราไม่ต้องออกมาหาความกลัวก่อนก็ได้ถ้าออกมาคือเดินเพื่อผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายอย่างนั้นนะคะอาจารย์อถูกต้องสาธกค่ะ <lite> ค <leash elles> ่ะขอบพระคุณว่าอาจารย์นะคะชาชาเอิญไปที่คุณแนนต่อแนนุดทธานีน้องสาวมัาสกายนะคะอาจารย์ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคไปที่อ้อมคุณออม อ่าเป็นยังไงนมัสงการค่ะหายกลัวแล้วเหรอค่ะแน่ใจป่ะค่ะอืมโอเคก็คดีใจด้วยนะหายกลัวแล้วก็สบายใจนะอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวแล้วนะค่ะอืมน่ามีอะไรที่ยังกลัวอยู่บ่ากลัวหิวไหมกลัวเจ็บบ่ะกลัวเจ็บ เอมีหิวมีหิวบ้างค่ะอาจารย์กูหิวบ้างนะยังไม่อยอเชือ่อยมันมันมันก็มีหิวบ้าง ก, ากา็ต้องก็ต้อง้องอยู่กับหิวให้มันได้ได้เลยที่ไม่ว<ด>มั น, มปปนดีที่ว่าตอนที่ไปจำศีลแล้วมันไม่ค่อยหิวค่ะแต่มันก็เคยมีช่วงแต่ละรอบบางรอบมันก็รู้สึกหิวมากแต่ก็ทนอยู่ไปค่ะ อย่ากลัวมันหรือเปล่าอย่าอย่ากลัวมันค่ะก็ก็ไม่ได้กลัวก็ก็ปล่อยให้มันหิวไปอ่าแล้วกลัวเจ็บหรือเปล่ากลัวเจ็บก็มันมันยังไม่ได้เจอสถานการณ์ค่ะคอาจารย์อืมแล้วเจ็บยังกินยาแค่ปวดอยู่หรือาอ๋อไม่ไม่กินไม่กินอะอค่ะทนได้ทนได้นะโอเ ค, คดีแล้วกลัวตายไม่กลัวใชนะ่ไหะ ไม่กลัวก็ก็ตายก <laughs> <laughs> ็เตรียมพร้อมเหมือนพ่าอาจารย์หบอกค่ะอ่าโอเคมีความกลัวนี่เป็นกิเลส น, นะมีภาวะตัณหาเมื่ออยากจะเจอสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เลยทําให้เรากลัวขึ้นมาแต่เราเรแล้วว่าเราอยู่ในโลกที่มีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ทั้งทั้งสองทุกชนิดสิ่งที่ชอบก็อยู่กับมันได้ สิ่งที่เราไม่ชอบก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรามีอุเบกขามีปัญญาแล้วก็สามารถวางเฉยได้ตัวที่ไม่ชอบได้อุบายจากผ้าอาจารมาที่ที่เคยฟังที่พ่าอาจาร์ตอบคำถามมาค่ะพ้าอาจาร์บอกว่าให้ยินดีต้อนรับ <laughs> บอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเ อ, อย่างเงี้ย <laughs> มันก็พอช่วยได้ค่ะผอาจาราจริงๆไม่ใช่พอก็ช่วยได้เลยเราก็ เ, าเปลี่ยน ที่แบบที่เราไม่ชอบให้เป็นที่เราชอบอ่าถูกต้องพอเราชอบแล้วก็อยู่กับเขาได้ใช่ไหมค่ะอืมเหมือนเราไม่ชอบแบบนิสัยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เอ้ยก็เปลี่ยนให้เราไปชอบมันชอบแบบนิสยัยแบบนี้เลยมันก็ อ, อยู่ได้เหมือนคนที่กินเผนไม่ได้พอเพ็ดเปลี่ยนใช้ชอบเผ็ดได้ตอนเวลากินเผดอนสบายค่ะนี่โอเคเก่งมากตามตอไป ค่ะต้องฝึกต่อไปค่ะอืาต้องอยู่บ้ไม่ทุกข์กับอะไรนะไม่ไม่กลัวอะไรไม่ทุกข์กับอะไรค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าคุณนิสาเชิญน้ําำจับนมัสการค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงบ้างก็ก็โอเคค่ะพระอาจารย์ ก็ยังปฏิบัติคะ่ะแต่ว่าล้มลุกคุกคานคะ่ะพระอาจารย์ก็มีแบบไม่ได้ปฏิบัติแบบเหมือนแต่ก่อนที่เป็นรูทีนแบบเช้าเย็นกลางคืนเดี๋ยวนี้ก็แบบว่างกา็นั่งสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าว่าคุณแม่ตอนคุณแม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็ถือโอกาสแบบนั่งสมาธิอาจจะไม่สงบบ้างแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ทำคะ่ะพระอาจารย์ เดีย๋ยนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเรามีเวลาของเราเยอะค่ะค่ะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะคอะจาจารย์เนี่ยแหะทำให้เราคิดถึงคุณค่าของเวลานะค่ะามาะมเวลาว่าเมื่อไหร่ให้เลือกตักตัวเอาประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดค่ะอาจารย์ก็พยายามนึกถึงคําสั่งสอนของอาจารย์ว่าถ้าเกิดไม่ยังไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับมีสติอยู่กับพุโทโธหรือก็ว่าอยู่กับอ่า ร่างกายค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะทําให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์อืไม่ทิ้งค่ะพระอาจารย์พยายามจะเข้าห้องซูมตลอดค่ะค่ะโอเคค่ะก็ไม่ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท้าสันแข็งแรงค่ะพระอาจารยสาธกาตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่ไม่ใช่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะเนไม่ใช่ มาพรุ่งนี้จะไปใส่บาปพระจารย์อ่นาตอนนี้มาพักที่ปริ ญ, ญาเลยค่ะอืม่ะปฏิบัติอยู่ค่ะมาคนเดียวหรือมาแบบคู่คู่ครองมามาเขาเขาฟังอยู่ฟัอยู่เนี่ยกระซิ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยต้องกิบเบาเก็ซิว่าออกสั่งอยู่แล้วฟังจตะตอบ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทําบุญค่ะจ้าสาธุ คุณอิสยาเจอคุณแม่อะไรอย่างมาตรการค่ะพรอาจารย์เจอคุณแม่แล้วค่ะไปไปรับค่ะช่วงออค่ะแต่ว่าก็ไปรับขึ้นทางค่ะคุณแม่นั่งรถตู้มาค่ะมาถึงอำเภอเพราะว่าสนามบินอยู่อำเภอเมืองค่ะห่างจากที่บ้านหกสิบกิโลค่ะอ่าเพราะอะไรเครื่องทางคนละครึ่งนะคนละ <laughs> ฝนฝนฝนฝนตกกันวันนี้ได้ครับจะมีฝนตกใช่ค่ะพระอาจารย์แถวอแถวบ้านฝนตกค่ะแต่ว่าไม่ได้ตกตลอดเหมือนช่วงที่ช่วงรอบแรกที่น้ําท่วมหานใหญ่ช่วงนั้นนะคะแถวบ้านหนูก็คือฝนแทบจะทั้งวันตลอดทั้งวันเลยแต่ตอนนี้คือตกหนักแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยๆไม่ไม่ได้มากค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจครย์ค่อ วิธีที่พระอาจารย์ให้หนูลองลองทำอะค่ะเรื่องที่หนูทำเรื่องคําพูดของคนนะคะพระอาจารย์ให้คิดถึงคํานั้นตลอดเวลามันเวิร์กมากเลยค่ะพระอาจารย์แบบเริ่มเน้นหูแล <c oughs> ้วไงเน้นหแล้ ว, วเน้นใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนแรกที่พระอาจารย์บอกค่ะตอนที่หนูนั่งปุ๊บทุกคําที่ คำด่าที่พูดน้ำตาหยดแแมะแมะแม่แม่เลยค่ะแต่ว่าพอสักพักหนึ่งมันมันคงเริ่มหยุดปรุงแต่งอะค่ะมันกลายเป็นคําพูดของเราเองแล้วมันก็หยุดเลยเลยเริ่มเห็นแวบแรกเลยค่ะว่าเออนี่เรามันมันคือปรุงแต่งกับเรานึกถึงคือถ้าเราเองก็ไม่เป็นไรแต่พอเราไปปรุงแต่งของคนอื่นมันเลยมันเลยร้องไห้ออกมาค่ะมันก็แยกไปแล้วหนึ่งอพอพอ ตอนตอนหลังๆช่วงนี้นั่งคือนั่งสมาธิเดินจงกรมหนูมีแต่คำด่าทั้งทั้งวันแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วคือสองสองวันที่ผ่านมามันเวิร์คคือเวิร์คมากๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่ า, าบางทีมันมีพมันมันจะรู้สึกอวนเขาเรียกอะไรอะคะอึดอัดในใจค่ะเครียดในบางครั้งแล้วไม่รู้จะทำไงสักพักหนึ่งอะค่ะมันมันมันมีความคิดดีๆขึ้นมาว่า เออถ้ามันงองแงแบบนี้เหมือนกับเราพยายามควบคุ ม, มแล้วก็ให้มันหายไปด้วยด้วยการพิจารณาใช่ไหมคะพระอาจารย์ออว่าแบบเ อ, อเราเหมือนเราควบคุมมันไม่ได้มันก็มาอีกเรื่อยๆจนบอกว่าถ้าององแงมันนี้แบบนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นเด็กเหมือนอันนั้นนะคะไออารมณ์แบบนั้นเป็นเด็กรู้สึกไม่อยากดูเธอละมันหายไปเลยคะ่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนอัะมันคล้ายกับอารมณ์เดียวกับที่เราวางตอนนั่งสมาธินะคะคือแบบงองแงแล้วไม่สนใจแล้วหายแบบโล่งเลยคะ่ะพระอาจารย์ หนูก็ลองสังเกต ว, ว่ามันหายไปนาหรือเปล่าแล้วพอมันเริ่มมาใหม่หนูก็วางแบบปล่อยเริ่มปล่อยเขาได้อะค่ะอาจารย์คือแบบว่าพอมาปุ๊บก็เออไม่อยากสนใจละปุ๊บก็าหายค่ะพอมันเริ่มมาอีกหนูก็เลยรู้สึกว่ามองมองเขาดีๆอะค่ะแล้วก็มันก็คือมองว่ามันมาปุ๊บแล้วก็มาแล้วก็ไปเหมือนบอกไม่ถูกค่ะคือเหมือนรู้สึกว่า มันมีอารมณ์นี้เข้ามาก็ไม่สนใจค่ะแล้วปล่อยเหมือนเหมือนปล่อยตอนนั่งสมาธิที่จะตกลุมตกบ่อค่ะพระอาจารย์ค่ะเดินอนัตตาล้วก็คุมบังค้ามไม่ได้มันพัดมัน้วก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปแล้วก็มันก็เริ่มหายไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นเกือบทั้งวันวันนี้เกือบทั้งวันเลยค่ะที่ไม่มีอะไรมีอยู่ช่วงช่วงที่เจอเจอคุยแม่มีอยู่บ้างค่ะที่รู้สึกว่า หนูจะกลัวโดนบังคับอะค่ะพอพอมีคําพูดของคุณแม่เข้ามาที่จริงไม่เกี่ยวอะไรละค่ะมันเก็บเป็นกลิษ์กิเลสของหนูเองอยู่สักประมาณสองสามชั่วโมงค่ะแล้วความหนูหนูก็พิจารณามันไปเรื่อยๆพิจารณาแบบดูอาการทางกา ย, ยมันไม่ปล่อยแต่ความคิดมันก็ปัญญามันผุดขึ้นมาเองค่ะว่าเราจะแก้ปัญหามีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะแก้ปัญหาวิธีเดิมด้วยวิธีเดิมแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ผลแล้วยังแก้ปัญหาวิธีเดิมคือหงุดหงิดกับมันอะ แล้วมันก็หายไปเลยค่ะหนูก็วางมันแล้วมันก็สบายใจจนถึงตอนนี้อ่ะค่ะพระอาจารย์คือการที่พระอาจารย์บอกให้หนูคิดคําด่าไปเรื่อยๆมันทำให้หนูเริ่มปล่อยได้หลายๆครั้งแล้วก็มีความสุขเกือบทั้งวันแบบได้เลยะค่ะพระอาจารย์เป็นประโยชน์มากค่ะก็อยู่ในความคิดเท่านั้นแหละเราเป็นหนลงความคิดเองเอาจริงกอบจารย์กับมันที่แท้มันแคเป็นแค่ความคิดเขาว่าเราสวย ท, ทั้งที่เราไม่สวยแล้วก็ยังดีใจเลยค้อง ใช่ไห ม, ไหมพอเราอยากอยากจะให้เขาว่าอย่างงี้อยู่แล้วม่นอยู่ที่ความอยากของเราเทนั้นเองไม่ใช่อยู่ที่คําพูดหรอกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพอคำพูดหนูก็ดูเฮ้ยมันก็เหมือนกันนี่นะแล้วแล้วพอเริ่มพิจารณาจริงๆมันคือตอนแรกหนูคิดว่าหนูแค่เสียใจเฉยๆแต่พอมาดูจริงๆรงอ๋อใช่ค่ะมันคือความอยากเลยค่ะ<ม>เห็นชัดมากขึ้นเลยค่ะพอพระอาจารย์พิจารณาแบบนี้ค่ะใช่เราอยากให้เขาดีพูดดีกับเราใช่ค่ะ แเราห้ามเขาไม่ได้แล้วต้องมองมองให้เห็นว่าเราห้ามเขาไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์เพิ่งเห็นแบบแล้วก็ช่วงนี้หนูแบบก่อนหน้านี้หนูจะนั่งสมาธิโดยดูลมแต่ช่วงเนี้ยค่ะก็ยังหนูยังใช้คําด่าไปก่อนค่ะมันก็เริ่มเข้าสมาธิกับพวกคําด่านั้นไปค่ะพระอาจารย์ใช่อันไหนมันทําให้ใจเราสงบมัใช่ได้ค่ะที่จริงดูลมถนัดกว่าค่ะแต่หนูเริ่มรู้สึกว่าพอเริ่มซ้อมแบบนี้แล้วมันชอบ<ะ>ชอบชอบม่ประโยชน์กว่า ใช่ค่ะะค่แบบเวลาเจออะไรระหว่างทางในช่วงกลางวันแบบตอนทํางานนะคะมันมวางได้ภายในถึงเป็นหลักชั่วโมงหนูก็รู้สึกว่าดีกว่าที่หนูเพียบเป็นวันๆนะคะพระอาจารย์<ม>อหรือใบบางทีก็คือมันมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดีมากดีใจคะ่ะพระอาจารย์หนูพอตอนที่มันปล่อยปุ๊บแล้วหนูนึกถึงพระอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยค่ะว่าโอ้โหมันแบบตอนที่มันปล่อยปุ๊บออกไปถึง ถึงแม้ว่าหนูไม่ได้จังตัดกิเลสไม่ได้แต่ว่าตอนมันมันมีความสุขค่ะตอนที่เราเครียดแล้วมันแบบ เ, เราไม่สนการล้วกัน<ป>มันแบบนิโรธเราเรนิโรธ ใ, ในในใ น, ในอริยสัจสี่พอปล่อยวางได้ปล่อยความอยากได้นิโรธก็เกิดขึ้นเลยนี่คือการดับทุกข์บป่าดับด้วยปัญญา รู้สึกว่าขี้เกียจมันงองแงเกินไปแล้วไม่ไม่สนใจดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเด็กเราไปบ้าเหรอเขาเองอ๋อใช่ค่ะไปบ้าเขาเขาเหมือนดิน้นดินดินอยู่นั่นแหละแล้วแบบเขาก็ไปของเขาเองนะ่นเราเราไปอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้ออยากให้ก็เป็นอย่างนั้นมันเขาเป็นส้มอยากให้เขาเป็นกล้วยใช่ไหมอยากเท่าไรเขาก็ไม่เป็นเขาก็เป็นส้มอยู่นั่นแหละ พอเราไปก็มันจะเป็นโซ่กเป็นไปจบนั่นเองยาวให้ก็เป็นตามเรื่องของเขาไปขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะไม่งั้นหนูก็คงแบบโง่แบบนี้อีกนานมากค่ะพระอาจารย์แบบไม่รู้วิธีซ้อมไม่รู้วิธีแก้ปัญหาค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ขอบพระคุณพระพุทธเจ้าขอบพระคุ ณ, ค ณ, าคณมากๆสาธุดาสุขค่ะคุณบูเปะก็เหมืกันเช่ไบูเปะ กลาวนมรดการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูมไหมเจ้าคะได้ยินจ้ะค่ะพระอาจารย์ของหนูเหมือนกันค่ะกิเลสพระอาจารย์คะหนูมีปัญหาทางด้านร่างกายใช่ไหมคะช่วงที่ผ่านมาคือเอาของไปส่งลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วตะโลกมันไปใส่ใส่ขนาดใส่หมวกกันน้องเนะะี่ยค่ะมันรอดใต้สะพานนะคะพระอาจารย์แล้วมันไป โคกับได้สะพานนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วประเด็นมันก็เลยมีปัญหากับตัวเอาอุปกรณ์นะคะพระอาจารย์แล้วมันทําให้มีอาการอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยมีอาการเหมือนมีทั้งคลื่นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็บดกะโหลกะคะ่ะหนูก็เลยพยายามแบบเอาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ว่าช่วงแรกๆมันไม่เท่าไหร่ก็คือไม่ไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แต่พอก็เลยบอกว่าการนี้ไม่ใช่ของเราพระอาจารย์หนูเอาสิ่งที่ได้เรียนมาได้ฟังมาได้ปฏิบัติมามาใช้นะคะพระอาจารย์การนี้ไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สนใจจะเกิดอะไรก็เกิดไปอะไรประมาณเนีค้ค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นคือสอดที่ทิ้งผ่านมาตอนจะไปพบแพทยที่ฉุกเฉินนะคะพระอาจารย์หนูแบบอเปิดตา ม, มามัน ขึ่นไส้อาเจียนหนูก็เลยหาวิธีโดยที่แบบจะไม่ค่อยอาเจียนมากเนี้ยค่ะพระอาจารย์โดยไม่ต้องแค่ดื่มแค่น้ําอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ออ่จับกระโหลกเหมือนอุปกรณ์มันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เป็นสองวันนึกว่ามันจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะื่องจะไปทํางานหนูก็เลยไปทํางานแต่ว่าก็ไม่สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นพระอาจารย์หนูยังหนูคิดว่าหนูยังเดินได้ หนูก็ดูที่ขาไม่ดูที่ตรงบริเวณที่หนูมีปัญหาค่ะพระอาจารย์ก็ลุยไปทํางานได้นะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันยังหนักแล้ะขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดตรงกะโหลก ค, ค่ะหนูก็เลยรอให้สามีไปพาไปฉุกเฉินพอหนูไปฉุกเฉินที่ที่หนูพาสมองเนี่ยค่ะหนูก็เลยดูค่าความดันนะคะพระอาจารย์ความดันตัวบนตัวล่างสูงปี๊ดเลยค่ะพระอาจารย์ร้อยห้าสิบกับร้อยสิบเอดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเป็นเคสแบบ หมอต้องให้ส่งทำซีทีด่วนเลยนะคะพอาจารย์แล้วหนูก็เล่าเรื่องให้หมอฟังกับสิ่งที่หนูเกิดขึ้นนะคะเพราะเพราะว่าหัวหนูใส่ตเตอนโทคดีใส่หมวกกันน็อกมันไปกระแทกกับใต้สะพานนะคะพระอาจารย์หนูไปทำซีทีเสร็จค่ะอาจารย์แล้วตอนผลออกมาพระอาจารย์ค่ะผลออกมาปกตินะคะแล้วก็ภาคความดันหนูมาวัดอีกรอบมันกลายเป็นร้อยกับเจ็ดสิบมันกลายเป็นปกติแล้วอาการที่หนูมีปัญหาเคลื่อนไส้กับปวด กับมีปัญหาทางกะโหลกมันแดันปกติอาการหายไปเลยค่ะพระอาจารย์มันก็เิยมีความสุขว่าเอา้านวนตัวหนูค่ะเหมือนโดนกิเลสหลอกเลยนะคะพระอาจารย์คือเอา้ามันกลายเป็นเฉยๆอะคะ่ะแล้วหนูก็ได้ยาพารามาที่บ้า น, นะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เจอหนูก็เลยอกโอ้เราเหมือนโดนกิเลสหลอกเลยะคะ่ะพระอาจารย์อาการที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้วัด ความดันมันสูงปี๊ดจนหอนให้ทำสีซีนะคะพระอาจารย์ตอนแรกหนูเข้าใจนึกว่าอุปกรณ์มันเคลื่อนนะคะพระอาจารย์แต่หนูก็พยายามแบบรานนี้ไม่เสร็จแล้พยายามแบบพยายามแบบไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่แต่สุดท้ายก็หนูก็เลยสกใจตรงที่ว่าเอาหนูหนูนึกว่าหนูจะได้ผ่ากะโหลกอีกรอบอย่างนี้นะค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นคือได้ กลับบ้านได้พาลากลับบ้านค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะหนูก็เลยว่าโอ้หนูเลยบอกว่าเราสั่งอะไรไม่ได้เลยทําอะไรก้อนหมดมันไม่ได้กับทางกาย ค, ะค่ะอาจารย์เราไม่เสถียอย่างเดียวใ ห, ให้รู้เฉยๆไปเจ้าค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าหนูนึกวาหนูจะได้ผ่าสมองเบิดกะโหลกอีกหรือเปล่าประมาณเนี้ยคะ่ะเตรียมตัวจะผ่าสมองอีกอย่าเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ผลก็คือได้กลับ ได้พลรากลับแต่ว่าหนูได้ตรวจเร็วไงคะเหมือนแบบเิ็นเคสฉุกเฉินอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะอาจารย์เราให้หมอฟังหมอเลยรีบส่งทำซีทเลย ค, ะคะ<ม>่ะพระอาจารย์เพราะหมอหลายท่านในโรงเรียนแพทย์อะค่ะที่ผ่าสมองะคะแล้วก็เ<ม>นี่ย ค, ะคะ<ม>่ะอาจารย์หนูเลยว่าอู้ได้ของดีจากพระอาจารย์แล้วก็มาใช้เนี่ยค่ะก็เลยแบบไม่อะไรกับร่างกายมากเนี่ยค่ะอาจารย์หนูกเ็เลยว่าอู้ค่ะะอาจารย์เหมือนกิเลสมัน อูพร้อมจะเพียงจะเราแค่แบบรุยปฏิบัติได้ฟังทำจากพระอาจารย์ด้วยคะ่ะแล้วก็เอามาสอนไปเรื่อยอเพราะว่าไหนๆก็คือหนูก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจะไปสมัครงานก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีปัญหาทางด้านร่างกายเยอะคะ่ะอาจารย์เบบบริจาคเลือดก็ไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาผ่าสมองหลายรอบคะ่ะเขไม่เอาแล้วคะ่ะแล้วก็ไปสมัครงานเลยไม่ได้อีกย่างค่ะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์ ต้องทำงานหาเงินใช้หนี้จากความอยากของนูด้แล้วค่ะพรอาจารย์ก็เลยลุยต่อไปค่ะพรอาจารย์โอเคเต่อค่ะทุกคาวบอกถึงคุณปังว่าอะไรต่อปรับน้มัสการค่ะไม่มีคําถามค่ะพรอาจารย์โอเคเดินไปที่คุณปุ้ยคุณปุ้ยไหรือเปล่า กล่าบนวัสการค่ะพระจารย์ไม่ใช่ a อไอค่ะวันนี้จะมารายงานแน่ใจนะไม่ใช่ a อไม่ใช่ค่ะเอไอวนี้มันฉลาดเนอะไม่ใช่แน่นอนค่ะโยมโยมจะมารายงานกับพระอาจารย์ว่าปกติแล้วโยมก็ไม่มีปัญหาอะไรโยมก็สวดมนต์เจริญจิตภาวนาแต่โยมโดนเอ่อ กายสังขารเน่ยเอ่อเหมือนโยมโยมมีเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบเวลาจะนั่งสมาธิอ่ะฟังพระอาจารย์นะโยมชอบฟังพระอาจารย์ไอ้คลิปเก่าๆของพระอาจารย์อ่ะพอเวลาโยมจะนั่งสมาธิตอนนึงคือมันเหมือนอะไรมันมาจุกจุกจกุจุกที่คอหอยเหมือนกับมันเป็นเสมหะหรือเป็นอะไรโยมก็อ๋อโอเคเราต้องไม่จิดบุงแต่งเพราะเราเลิกกลัวมาแล้วมันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่พลังงานใดหรอกมันอาจจะเป็นเพราะว่า มันหนาวหรือเปล่าเราป่วยหรือเปล่าเราก็เอ้เรากินยาแล้วมันก็ยังไม่หายเเอ้เดี๋ยวไปลองไปปรึกษาพระอาจารย์คิดว่าเราโดนกิเลสสมานมันเล่นหรือเปล่าพอเวลาโยมจะตื่นเนี่ยโยมปลุกนาฬิกาตื่นตอนเช้าเช้ามันเหมือนมีอะไรมาแกล้งโยมว่าเฮ้ยหลับต่อเหรออะไรอย่างเงี้ยมีนี้เออโยมก็เลยทดสอบสองสองเอเอวิธีการทดสอบของโยมให้ไม่กลัวผี โยมก็ไปดูคลิปผีของฝรั่งว่าเวลาคนเน่ยตายแล้วมันตายเป็นยังไงมันผุมันพังเป็นยังไงแล้วมันกลายเป็นดินเป็ยังไงถามว่าโยมเลิกกลัวผีไหมคือโยมเลิกกลัวได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าโยมไม่รับประกันตัวเองนะคะว่าถ้าโยมเห็นตัวเป้งๆมายืนอยู่ข้างหน้าโยมนีโยมจะรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าตอนนี้โยมไม่กลัวโยมปงได้และถ้าถึงเวลาที่จะไปตอนเนี้ยโยมคิดว่าโยมไปได้พระอาจารย์ มีนี่คือการพูดด้วยความด้วยหลักความจริงเลยค่ะเพราะว่าโยมเห็นแล้วว่าคนเราต้องไปเจอของจริงดูถึงจะรู้ว่าอยู่ปัช้าคนเดียวเนอจริงค่ะโยมก็ยังยังคิดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าโยมจะต้องไปจริงๆเนี่ยโยมคิดว่าโยมทำใจได้นะคะพระอาจารย์เพราะว่าการเี็นมันเป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นมันยังไม่เจอของจริงคบางทีพอไเจอของจริงอาจจะโกอย์เลยก็ได้ เออใช่ใช่ใชถ้าถ้าถ้าถ้าอันนัน้นโยมโยมคิดว่าไม่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะกลัวดีปล่าว่าถ้าเราเจอยั ง, ย, งยังมีอยู่ขึ้นขึ้นแต่ว่าแต่ถ้าเกิดโยมโยมคิดว่าถ้าถึงเวลาที่ถ้าเกิดพรุ่นี้เรานอนไปแล้วเราไม่ตื่นขึ้นมาเงี้ยเราจะทําใจได้ไหมเราคิดว่าเราทําใจได้แต่โยมก็ <from> คิดได้แต่ของจริงเขาจะเขาจะของจริงจะทําได้บ้างคนละเรื่องกัน นั่นนั่นจีค่ะอือ่นแล้วพอดีวันเนี้ยโยมก็เจอมารนะ์นอ่ะเหมือนเหมือนกับมารนมาขัดขวางอนะ่ะการปฏิบัติธรรมนะ่ะมันนคนของรัฐบาลที่เขาแบบว่ามาตรวจเออคือมันจะมีกฎหมายที่มีว่ารัฐบาลจะมาตรวจตึกเนี้ยทีนี้โยมก็คนเราดีเกินไปอะ่ะเราเห็นกับเราเห็นกับส่วนรวมเกินไปเราเห็นว่าเออไม้มันก็ต้องใช้น้ำํำยาล้างอะไรนี้โยมก็ไป ทำเงางามทำอะไรซะดีเอยทีนี้คนเราอะในมนุษย์เนี่ยมันจะมีการอิจฉาริษยาโยมก็ลืมไปทีนี้ดีนะที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนโยมะด้ว่า อ, อ่ให้ดูลมหายใจโยมก็เลยตอนแรกก ะ, กะจะด่าแล้วไงถ้าเป็นเมื่อก่อนโยมก็ด่าโมโหด่าออกไปแล้วโยมก็เลยแบบบังคับโยมได้โยมก็อธิบายแต่ทีนี้เราก็พอเราอธิบายจบคือเขาไม่เข้าใจเขาก็พยายามคิดว่า ก็งานของเขาอะเขาส่งคนมาทําเขาไม่สนใจว่าจะใช้อน้ํายองน้ํายาอะไรเขาไม่สนใจแล้วโยมก็เลยปิดประตูเสร็จโยมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่องานของคุณคุณเป็นคนลักเซมเบิร์กคุณยังไม่รักประเทศชาติคุณยังไม่รักผลิตภัณฑ์ของโยมคุณกันก็ไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วฉันก็ไม่ไม่ใช่จุฬะเราก็เฉยเฉยไปเราก็อธิบายแล้วอธิบายให้หัวหน้าเขาฟังก็แค่นี้ก็แค่นี้เราโยมก็เลยบอกว่า เออใช่สิ่งที่พระอาจารย์สอนพอกลับเข้ามายมก็ดูลมหายใจเอ่อย ม, ยมดูที่เอาคือเวลายมดูลมหายใจยมทำอย่างที่พระอาจารย์ดูอ่าดูที่ปลายจมูกแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ออกมาที่ปลายจมูกอย่างเงี้ยเวลาโยมเดินออกไปข้างนอกยมก็จะทําอย่างเงี้ยแล้วยมก็จะนึกว่าพูดแล้วก็โทออกมาอย่างนี้คือมันรู้สึกดีนะคะพอยมทําอย่างนี้แล้วโยมมานั่งสมาธิแล้ว มันสงบได้แต่วันนี้โยมเกือบอะเกือบเกือบเกือบจะจะจะจะจะไม่รอดเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยแต่ทีนี้พอโยมมันนึกได้ว่าเออไปทุกทำไมวะในเมื่อเขาไม่สนใจตัวเขาแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับในสังคมตรงกลางซึ่งมันเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเราก็เลยเฉยๆไปเนอโยมก็คิดว่ามันกรรมของเขาเรื่องของเขาถ้าเขาทำงานแบบฉาบฉวย มันก็เรื่องของเขาโยมก็เลยคิดว่าเอะเดี๋ยววันหนึ่งเราไปซื้อบ้านอยู่ของเราดีกว่าวะ่ะบางทีเราลำคาญเราก็ตัดสินใจพูดอย่างนี้ไปเลยอ่ะอาจารย์แต่โยมก็ดับกิเลสพยายามดับกิเลสด้วยการดูลมหายใจค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์สอนถ้าถ้าคนคุณคุณอะไรอ่ะที่เกี่ยวพูดเกี่ยวกับแม่ชีอ่ะโยมโยมก็คิดว่า โยมก็นึกในใจว่าโยมเออโยมก็เหมือนกับแม่ชีนะเพราะว่าโยมอยู่ได้นะถ้าไม่มีผู้ชายแล้วโยมก็อยู่ได้โดยที่ว่าถือศีลมาถือศีลถือศีลอย่างเนี้ยศีลเจดศีลแปดไม่หิวตอนเย็นไม่หิวค่ะพระอาจารย์โยมอยู่ได้เพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้ายกเว้นโยมได้ว่าโยมไม่ต้องไปโกนหัวโยมต้องอยู่ในวัดนะ่ะโยมปฏิบัติได้นะคะพระอาจารย์ก็ต้องไปทําให้ดูต้องไปส่วนดูคิดอย่างเดียวไม่พอหรอก ความยิดกับความจริงมันไม่เหมือนกันอลองไปเป็นน่าชี้ดูสักเดือนหนลองไปโกนหัวอยู่แบบไม่ชีดูสักเดือนหนึไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาพระอาจารย์ทำไมเอาบอกว่าทำได้ไงทาได้ก็ไม่ได้สูญเลยโยมโยมบอกว่าเอ่าเป็นเป็นชีที่ไม่กกนหัวพระอาจารย์เก็ไม่ใช่จริงไม่ใช่ของจริงเลยของจริงต้องโกนหัวเลย บทบทจิตอ่ะพระอาจารย์บจิตไม่ใช่ไม่ใช่อะไรยงี้ก็คนละเรื่องมาสิบทิศก็เรียกว่าบททิศเนบทจิตก็บททิศเลยเอไอไงพ <laughs> <laughs> ระอาจารย์นั่นแหะเอไอเดิระวังระวังกิเลมันหลอกเรานะมันหลอกให้เราคิดว่าเราเก่งนะโดยที่เรายังไม่ได้ไปพิสูจน์ยังไม่ได้ขึ้นเวทีโชคเลยว่าคิดว่าเก่งนะได้เหรียญทองนะ ต้องข<า>ไปทีก่อนต้องเจอคู่คู่อิก่อนต้องเจอศัตรูก่อนเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับบางทีอ่ะมันเหมือนกับมีเออบางทีโยมก็บอกตรงๆนะพระอาจารย์ว่าโยมเบื่อโลกมนุษย์เนี้ยเพราะมันมีแต่ไอ้พวกอิจฉาริษยาเท่านั้นเลยแม่งเราเดินเราเราเด้ถอยออกมาจากงานแล้วไม่เจอยังไม่เจอคนอย่างนี้อีกมันแบบบางทีเราก็คิดว่า เราไม่มีปัญญยายเองเราไม่รู้ว่โลกมันเป็นอย่างนี้มาตา้แต่ดั้งเดิมแล้วมีคนหลากหลายด้วยกันเราไปเรื่องไม่ได้หรอกนะหันอยู่กับสิ่งที่เราได้มาก็แล้วกันแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กว่ามันโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะโยมโอ เ, เ อ, อ่อ จะมาขอพลังค่ะขอ <Okay. S 2> ให้โยมอ่ะได้ปฏิบัติธรรมได้ดีและได้สงบเสถีสี่พระา okay. าอาจารย์นนนะโยมน้อมน้อมถวายบุญกับท่านพระอาจารย์และขอให้พระอาจารย์ทาดขันเ็งแรงเจ้าค่ะ <Yeah. S 2> โยมขอปฏิบัติธรรมอย่างนี้ตลอดไปนะเจ้าค่ะจ้า yeah. สาธุจ้า กราบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบขอบพระคุณน ah. ้องหล่าและน้องๆแล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยค่ะสาธุสาธุคุณมรดิกาต่อมรดิกานลาธิวาสกราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์ก็เกี่ยงเรื่องวาจากอาทิตย์ที่แล้ววพระอาจารย์ก็พระอาจารย์ให้ค่ะถาหมดว่าเราต้องยอม พอทั้งยอมปั๊บทีนี้เป็นมองถึงว่าความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะไปมองสิ่งภายนอกตัวเราแต่พอเรามองเข้ามาในจิตใจของเรานะครับพระอาจารย์ใจของเราต่างหากที่ร้อนรุ่มใจของเราต่างหากที่วุ่นวายใจของเราต่างหากที่เกิดความความอยากนะครับพระอาจารย์ดังนั้นเมื่อการที่จะดับ ความทุกตรงนี้ได้เราต้องมีตัวเมตตาเข้ามาแต่ตัวนี้นะมันถูกต้องไหมครับอาจารย์ว่าถ้าเราใช้ความเมตตาให้กับตัวเองมันมันจะจะใช้ได้ตลอดไปหรือว่าได้แค่ชั่วคราวในขณะที่เรามีสติคือเมตตาใช่ยังไงเราไม่เข้าใจเนีหมายถึงว่าเรามีความเมตตาขอบุญเองก็คือ เราจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองอมแม่ให้คิดว่าทุกสิ่งนั้นมันเป็นแค่อา น, นิจจังมนันแค่ไตรลักษณ์สิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกอยู่นั้นก็คือเราเกิดความโลภหรือความอยากไม่อยากอืมไม่อยากเป็นมไม่อยากได้อะไรแบบนี้ปกติเมตตาเราใช้กับคนอื่นไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้กับตัวเรา เข้าใจไ <Okay. S 1> ตัวเราตัวเราไม่ต้องเมตตาเราเมตตาอัตโนมัติอยู่แล้วมีใครเกลียดตัวเองมั้ไม่มีหรอกมีแต่รักตัวเองกันทั้งนั้นแต่ร<ต>ักวิธีไหนท่านเองรักวิธีที่ถูกหรือรักวิธีที่ผิดถ้ารักด้วยธรรมะก็วิธีที่ถู ก, กถ้ารักด้วยกิเลสมันก็เป็นวิธีที่ผิดก็แสดงก็โทษนะครับอาจารย์ก็แสดงว่าลูกคิดผิด เวลาทุกขึ้นมาไปโทษสิ่งโน้นไปโทษสิ่งนี้ก็คือนั่นคือคิดผิดก็มันเห็นไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นมันอยู่ที่กิเลส ข, ของเราเองนะออความโลภความอยากของเราทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องมาหยุดความโลภความอยากแล้วความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้เรียกว่าปัญญาไม่ใช่เมตตาใช่ไหมใช้ออใช้กันเดี๋ยวงุดหงิดหมด สับสนไม่ ห, หมดในเรื่องของความทุกนี้ต้องใช้เมตตาที่ระดับไอ้ไทยใช้ปัญญาที่ระดับได้เมตตานี้เมื่อถึงเวลาเราเราเกลียดใครโกรธใครแล้วเราให้อภัยเขาอย่างนี้ความความทุกข์ก็จะหายไปความโกรธก็จะหายไปก็คืออจุดแรกของเราตัวของเราก็คือเราเรียนรู้ให้ถึงปัญญา เกิดขึ้นในตัวของเราอูว่าเราอยากไปยุ่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เป็นทุกข์ที่อยู่ในใจนั้นที่มันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันนั้นมันเป็นไตรลักษณ์ทุกข์ขานธ์ในใจานใจแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราที่เราให้เกิดทุกข์เราต้องมีความเมตตากับเขาถ้าเรามีปัญหาเขาเราก็ต้องเราก็ต้องปล่อยวางเขาให้ได้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอาจจะมเมตตาก็ได้อาจจะใช้อุบเบกขาก็ได้มันไม่แน่นอนนะแต่ภาวะเ้าแต่เหตุการณ์ถ้าเราถ้าเราอยากจะไปทําร้ยายใครเราต้องใช้มเมตต า, รารับการไปทําร้ายเขาแต่ถ้าเราเสียใจเพราะเขาไม่ไม่ดีกับเราเราก็ต้องใช้อุบเบกข า, าเราสั่งก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ เอาไปเอาไปพิจารณาดูก่อนนะเพรมันมั น, ม น, มนรู้สึกว่ามันมันก็ว่ามันเอาเมตตามาใช้กับตัวเองมันฟังแล้วมั น, มนไม่มันไม่เคยได้ยิ น, นะอะเ <laughs> มตตาเราใช้กับคนอื่นไม่ได้ใช้กับตัวเราค่ะอาจารย์นึกว่าต้องใช้กับว่าตัวเราตัวเราไม่ต้องเมตตาเราเอาเมตตาเราอัอตโนมัติแล้วมีใครเกลียดตัวเองมั้ย นอกจากคนที่อยาคิดฆ่าตัวตายนั่นะที่เราใช้เมตตาต่อตัวเองแต่ถ้าถ้าถ้ายมคิดอยากจะฆ่าตัวตายเนีน่ต้องเมตตากับตัวเราละต้องเมตตากับร่างกายนี้อย่าไปทําร้ายมันรักษามันไว้ให้ดีบางทีนะแบบแบบวาบางที่ว่าเราเรียนรู้ในจุดนี้ถ้าไม่มีการที่แนะที่ข้อที่ถูกต้องก็เราก็คิด ที่มันผิดผิดอยู่อีกว่าเออครอบัเราต้องมีเมตตาต่อตนเองนะอะไรประมาณนั้นเข้าใจแล้วนะคะอาจารย์เข้าใจมีเมตตาเวลาที่เราเกลียดนั่งใจถ้าเราเกลียดตัวเราเองเราก็นั่งกับตัวเองนั้นต้องให้เกิดปัญญาที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขเมื่อมีความทุกข์ใช่โอเคเข้าใจแล้วจ่าถือเจ้าแล้วก็จะอ่าไปที่คุณดวกตา เนีคุณมล้งตายเนี่ยมีเมตตากับหมาเยอะเนี่ยคุณกับคุณแม่สองคนเนี่ยไปเลี้ยงหมาทุกวันกี่สิบตัวลนวันวันหนึ่งนี่ยธราตรกับพระอาจารย์ค่ะประมาณร้อยตัวค่ะพระอาจารย์ตัวทุกวันเลยนะค่ะทุกวันค่ะพุงข้าเองหรือก็มีอาหารเม็ดด้วยแล้วก็อาหารมีผู้ใหา่ทหารเ็าช่วยมาด้วยค่ะข้าวลงทิ้งทหารที่ที่เหลือจากคนาหารกินค่ะ อแล้วก็ <S <S แล้วก็ไปเอาไปเลี้ยงมาอีกทีนึงแล้วแล้วก็ห่งเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็มีอาหารนิดน้อยกว่าตัวนะทุกวันเลยนะ่ะค่ะแล้วตอนนี้มีมีรีพายมาจากสามแก้วอีกอีกหลายตัวออือแล้วที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทหารเขาไปแนวหน้ากันแต่ละจุดไม่ก็ไปช่วยเขาว่าเขาเป็นห่วงก็เลยบอกไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวจะมาช่วยดูให้อ อย่าเรียม่ตายอย่าเรว่ม่ตายแล้วเขาไปกันเขาก็ไปได้ลูกหมากลับมากันค่ะจากแนวหน้านี่มาเพิ่มกันเยอะเลยค่ะเพิ่มพลเมืองเขนี้นะค่ะก็คือลูกหมาก็หนีตายมาจากแนวหน้าเหมือนกันค่ะเขาก็หอมกันจะเล่นกันดูค่ะเดือนร้อนไหมือนะไม่กถ้าสุนัขก็เดือนร้อนไปด้วยนะเดือดร้อนกันค่ะวันนั้นเขาจะไปเขารวมพลกันน่ากลัวมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็ ไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะลงรถถังนะคะ <ừ> อืมก็บอกใ <ừ> ห้เดี๋ยวครูมาช่วยดูให้ลูกศิษย์หนูก็วิลูกศิษย์หนูก็วิ่งมากอดครูครับผมต้องไปชายแดนอืเราสองคนช่วยกันนะนะนั่ดูมีคนไหนมาช่วยด้วยเป่าช่วยกันแล้วก็มี ม, มีมีเด็กพลทหาร ท, ที่ปลดแล้วมาช่วยด้วยคะ่ะแล้วหนูก็ให้ค่าเหนื่อยเขาบ้าง <ừ> ให้ค่าเหนื่อยเขาไปบ้างก <ừ> ันพอใช้อะค่ะโอเคก็เป็นการทําบุญทาทานนะ แล้วก็ในทหารผู้ใหญ่เขาก็ที่รู้จักกันช่วยกันมานานเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออมันมีข้าวที่พลทหารทานแล้วเหลือแต่และ ว, วันเนี่ยนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ข้าวไม่ใช่เศษอาหารนะคะพระอาจารย์เหมือนว่าท า, านล้วเหลือทานเหลือทหอารกินทหารกินแล้วเหลือเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บให้ค่ะอืมดีนี่นะัแหละเมตตาทำคำจุนโลกโลกเราอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุกเพราะความเมตตา ที่เราฆ่าฟันกันทําสงครามอันนี้กับพ่อเราไม่มีความเมตตาต่อกันน่าสงสารนะครับะเจ้ <laughs> าบางทีเราบางทีเราก็ไม่อยากจะไปทำร้ายเ้าแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเราองนี้ก็ช่วยไม่ได้นะ่ <laughs> โลกก็อยู่อย่างนี้แนหะจะให้มันเป็นโลกที่บอยสุดบิ้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะเมตตาเขาแต่เขาว่าเมตตาเรา <laughs> เราก็เรา <laughs> เราก็ต้องป้องกันตัวเราไว้เนะี่ย เราก็อยู่ลําบากใช่โอเคมีอะไรไหมไม่มีไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมฟังธรรมโอเคสาธุากลับขอบพระคุณค่ะคุณปานอมต่อกลับถึงอเมริกาหรือยังยังไม่กลับกลับน่ามาสแกนเจ้าการหลวงเพ่อกลับมาเมื่อวันก่อนเจ้าค่ะเอ yeah. ถึงเซนไดเมว่อไหร่ถึงแล้วเจ้าค่ะ จะหนาวสิตอนนี้หนาวนะปีนี้อากาศอุ่กว่าทุกปีเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ไม่หนาวจากเจ้าค่ะก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีปีนี้ไม่มีค่ะฝนเยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อที่นี่ก็เหมือนเดิมค่ะยังปฏิบัติระหว่างตอนนั่งเครื่องมาก็พาวนาไปภาวนาไปแล้วก็มีจังหวะเผลอหลับจากลองไปอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ได มีคําเตือนจากหลวงพ่อเข้ามาก็นั่งต่อเจ้าค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วมีตกผมอากาศบ่อยอากาศไม่ค่อยดีเจ้าค่ะช่วงนี mm ้ hmm. ก็ไม่ได้วันไหวเจ้าค่ะปฏิบัติบองอะไระเกิดก็เกิด เ, นะเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาก็ไม่ทํางานแล้วก็เน้นเรื่องรักษาใจปฏิบัติแล้วก็ทานติมภาวนาเหมือนเดิมจ้าค่ะอย่างปวันเหมือนเดิมอยอะหรือเปล่า <c oughs> อย่างไปยกระลงลง ตรงเครื่องปุ๊บ ก, ก็นั่งจัตตบัสมาแล้วก็ให้สามีพาไปส่งที่วัดเจก็ได้ไปกับพระอาจารย์แล้วก็พี่ๆที่วัดเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อยังเหมือนเสบายใจนะเย็นใจสบายใจเจ้าค่ะเหมือนชอบอยู่กับความสงบเจา้าค่ะแต่ถึงจะอยู่ในที่วุ่นวาย ก, ก็ก็เอาคำสอนจากหลวงพ่อมา สนใจอยู่เสมอเจ้าค่ะก็พร้อมเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ uh huh. อย่างปฏิบัติต่อเนอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติเหมือนคําสั่งสอนที่หลวงพ่อให้มาเจ้าค่ะยงคงจะคงใจงได้ก่จะได้กลับมาไทยฮนะเจ้าค่ะเพราะว่าหนูเสร็จกิจหลายอย่าง ท, ที่ที่ตั้งใจจะทํา uh huh. ให้กับพี่น้องที่เขารออยู่ก็เสร็จไปเกือบร้อยปอร็นแล้วเจ้าค่ะไม่มี uh huh. อะไรให้ห่วงเจ้าค่ะ ไม่ต้องกลับมาแล้วเจ้าค่ะโอเคปฏิบั <Okay. S 2> ติต่อเนื่องเจ้าค่ะการทำพิธีการของพ่อเจ้าคุณสลินดอนต่ออันนี้ก็แมรว่แลนด์มิธการพากย์จานเจ้าค่ะอันนี้นนหนูก็<ง>หนูก็ยสบายดีเจ้าค่ะพากย์จานหนูว่าหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เอืมสติมันอยู่กับลมได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็สามารถพิจารณาอาการสามสิบสองแยกธาตุดินน้ำลมไฟช่วงนี้นะคะพระอาจารย์ mm hmm. รู้สึกว่าทำแบบนี้มันมันมั น, ม, นมันง่ายเหมือนแต่ก่อนจะใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็ดูลมแล้วก็ดับวุบลงไปอะคะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับใช้อาการพิจารณาตัวนี้พิจารณาจนกระทั่งมันดับไปเหมือนกันนะคะก็ก็ดีอะคะ่ะเป็น บบ เ, ปเป็นปัญญาแบบนี่เรยเป็นปัญญาแล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ระหว่างวันนะคะหนูพิจารณาเข้าตัวมากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะหนูจะไม่มองเหตุการณ์ต่างๆจากภายนอกหนูจะมองเข้ามาภายในอะคะ่ะพระอาจารย์มีอะไรกระทบหนูก็พุโทโธพุโทโธแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปจากอารมณ์ต่างๆ <Hey. S 2> ถ้าพุทโธไม่อยู่หนูก็เจริญใจลักอะคะ่ะแล้วแต่มองข้างนอก พยายามจะไปแก้ข้างนอกเดี๋ยวนี้เราแก้ข้างในดีกว่าตัวปัญหาอยู่ข้างในได้ค่ะแล้วคือถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่จริงหนูก็จะดูว่าอันนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเที่ยงแล้วเราจะต้องหยุดมั่นถึงมันหรือไม่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะคือปรงทุกอย่างเลยคะ่ะแต่มันทําให้เรากลายเป็นคนไม่เอาอะไรอาจารย์ก็ใช่เลยก็ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เอาอะไรให้ปล่อยวางทุกอย่าง แล้วมันก็พิจารณาไปหมดเลยนะคะว่าอยอันนั้นเราก็ยึดไม่ได้อันนี้เราก็ยึดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทุก อ, อย่างสปเปสังคาราใช่ค่นนะวามสุขสบายที่พระอาจารย์เคยเตือนหนู ว, ว่าเนี่ยอย่าไปนอนฟูกสูงๆมันเหมือ น, นเราไปยึดมันหมดทุกอย่างเลยความอยากกินอาหารความแต่ว่ามันกลแต่ตอนนี้หนูไม่ได้อยากออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีลูกเขาจะชวนว่าเนี่ยช่วงติดติดเทอมช่วงเนี้ยไปเที่ยวกันไหมเราไม่มีความอยากอะไรเลยแล้วบางทีเรารู้สึกว่า เออหรือเป็นเพราะว่าเราทําไมเรากลายเป็นแบบนี้เราชอบความสงบไงเรนก็เลยไม่อยากจะไปไหนหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูอยากจําเป็นที่จะต้องไปอะไรเลยไม่ได้มีความรู้สึกทุกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกามากระทบอะไรกับเราได้คือมันเหมือนมีภูมิคุ้มกันใช่มีช<ม>ัปร<ม>ญญาคอยคอยกันไม่ให้จิเลนดึใจเราไปวุ่นวายใช่ค่ะแล้วพอมัน ไม่ว่าจะทํำไรหนูก็จะไม่อยู่กับลมก็จะท่องอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือแล้วมันดึงในระหว่างวันเนี้ยมันจะพิจารณาได้หลายรอบมากได้พุโทโธก็ได้อาการ32ก็ได้ดื่ม น, น้ำลมไฟก็ได้เองาวงนี้เป็นเป็นประโยชน์ทําให้จิตใจเราเบาสบายปล่อยวางค่ะแล้วบางทีเวลาที่ฟุ้งซ่านหนูก็จะท่องขมคนเล็บฟันหนังอย่างเงี้ยค่ะถือใช้เป็นใช้เป็นคําบริกรรมไ ป, ไไปแทนได้ออืค่ะ ถามมันก็ก็เลยกลายเป็นว่าก็นั่งนั่งสมาธิก็นั่งได้เรื่อยๆว่าวันไหนมีเวลาก็กลับมานั่งกลับมานั่งอย่างน<ต>ี้ค่ะและ้วเห็นใครเห็นใครก็จะเห็นอาการตานทีสองของเขาแ่ะมันเคยเห็นอยู่ช่วงหนึ่งค่ะพระอาจารย์หเห็นเห็นอยู่แรกๆเห็นของตัวเองเห็นว่าเห็นของกรดูกของช่วงหน้าอของตัวเองค่ะและ้วมันก็หาได้เที่ยงอะค่ะพระอาจารย์มันยังยังไม่ต่อเนื่องไงปัญญายังไม่ต่อเนื่อง ค่ะอาจจะต่อเนื่องมันจะมาเห็นตลอดเวลาอ๋อถ้าเกิดเราสามารถบริกรรมคือแต่มันต้องมีสติอัตโนมัติก่อนไหมคะพระอาจารย์ถึงจะมีปัญญาอัตโนมัติได้ค่ะก็นั่นแหละมันก็ไปด้วยกันแล้วอ๋อตหนูหนูเริ่มรู้สึกว่าสติหนูมันมั่นคงขึ้นมันเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรือยๆแต่ไม่ตลอดเวลาไม่ตลอดเวลาเพราะมันยังมีเรื่องกระทบภายนอกหนูเลยคิดว่าก็หลังจากที่หนูไปปฏิบัติทำมาหนูก็นั่งคิดว่า ถ้าเราจะเอาทางนี้จริงๆมันจะต้องต้องเด็ดขาดก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยว่าต้องไปบวชเท่านั้นถือศีลแปดเป็นอย่างน้อยแล้วก็ต้องอย่ามีลูกอย่ามีสามีแล้วก็อย่าคุยกับใครแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติเต็มที่อย่างต่ำไม่เกินวันละสิบชั่วโมงทำอย่างนี้ไปเจ็ดปีเก็บตัวเอง <laughs> ไม่เกี่ยวอะไใคร ก็งไม่ได้เจอใครเลยรล้ <c oughs> หนูจะรอดไหม เ, เดี๋ยวถึงเวลามันรุ่งอะถึงเวลาแ ก, ก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดเราจะมาบวชแล้วก็คิดว่านั่งสมาธิเพื่อให้มีความสุขแทนที่จะไปกินล้าไปเที่ยวปเปลี่ยนมานั่งสมาธิอ๋อพอพอนั่งไปนั่งไปมันชอบมันอยากจะให้มันสงบมากขึ้นบ่อยขึ้นมัน มันก็ชอบนะคะพระอาจารย์แต่หนูก็ยังไม่แน่ใจว่าหนูจะได้แต่ว่าถ้าพระอาจารย์บอกว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันได้มันจะไปเองมันไปเองมันกอ็ไปแต่เย่างตอนนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าอย่างความเมตตาพวกอะไรเงี้ยมันมันก็มีขึ้นมามากมากขึ้นในใจอะค่ะเราอยากจะช่วยคือถ้าเรามีโอกาสช่วยใครได้เราก็จะช่วยถ้าเราเห็นเราก็จะช่วยแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่ช่วยคือเราไม่มันมันไม่เห็นนะคะเราช่วยทั้งโลกไม่ได้เราช่วยเฉพาะสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราเท่านั้น ค่ะอย่างที่หนู ก, กลับเรียนพระจเมื่อสองาทิตย์ก่อนว่าหนูไปช่วยลูกแมวตรงนู้นหนูก็ไปช่วยเขาได้ mm hmm. จริงจริง mm hmm. ก็ไปจับเขาไปได้แล้วก็เดี๋ยวยังอยู่ที่บ้านอยู่อะคะ่ะ mm hmm. ก็มีพวกเฮลที่ดิพาร์ตเมนต์เขามาเพื่อจะดูว่าแมวตัวนี้มีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็สรุปว่าไม่มีก็พ้นพ้นขีดอันตรายแล้วว่าคือพอดีว่าลูกสาวตอนที่เขาไปช่วยเขาถูกกัดก็เลยต้องมีเฮลที่ดิพาร์ตเมนต์เขามาเช็กดูว่าเป็นโรคโรคอะไรนะคะพิษนักบ้าพิษนักบ้าไม่ดี ค่ะตำรวจเขาก็เลยมาต้องมาที่บ้านเพื่อได้สมัครูมแมวว่าแมวแค่ แ, แ, วแมวเดี๋ยวเร า, า<ำ>ชื่อให้คนอื่นต่อยเขคาคุยใช่ค่ตะตำรวหนูเพงงว่าแค่แมวตัวเดียวตำรวจต้องมาที่บ้าน<ๆ>ลเลยเหรอใ ช, ใ ช, ใช่เขาแค่ม้วนมาใช่ค่ะใช่เขามาแล้วก็สรุปก็คือเฮลทิพานต์เหม็นเขาก็โทรมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าโอเคเคลียร์แล้วเราจะไปเชลเตอร์ได้แล้วหรือว่าจะเอาไปให้อ op ปชันอะไรต่ออะไรได้แล้วก็นี่เดี๋ยวก็จะบอกว่าค่ะ ก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะหนูรู้สึกว่าหนูปฏิบัติทําได้ดีขึ้นแล้วว่าเรามีอะไรกระทบใจหนูก็อย่างที่หนูกลับเยนพระจารย์าาหนูไม่พูดโทนหนูก็พิจารณาได้ไ<ป>แทนกันได้ใช่แทนกันได้ค่ะพระจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะพระจารย์หนูไม่แน่ใจว่าจิบเขาเข้ามาหรือเปล่านะคะออพอดีพอดีหลังพอดีตอนนี้ยัมตอนนี้ยังไม่เห็นในหน้าจอเลยค่ะคือช่วงนี้ช่วงนี้คือเขาต้องขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนตอนเช้าค่ะแล้วมันเป็นเวลาเดียว เขาเข้ามาวันยังไม่ได้เข้ามาวันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ยังไงต้องกล่าวฝากกล่าวพระอาจารย์แทนเพื่อนด้วยค่ะได้ได้สาธุลูกเขาก็ไปดีนะคะก็กรอกลับมาเรียนจบจากวิสคอนซินแล้วกลับมาอาทิตย์นี้ค่ะลูกออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยทุกอย่างก็ปลอดภัยค่ะพระอาจารย์โอเคคไหนก็กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ในคำสอนมากๆเลยนะคะขอบคุณสาธุสาธุสาธคุณหมอสุทธัชเน เป็นยังไงทุกอย่างเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเจ้าค่ะโอเคไ ม, มไม่มีคำถามไม่มีคำถามอ่ะไปด้คุณมาลีต่อคุณมาลีมีอะไรไหม ย, ยังเข้มค้นเหมือนเดิมนะทุกวันจำหลวงพออค่ะอืม หลพอได้ได้ยได้ยินยิชัดเจนชัดเจนไม่วันนี้หลวงพ่อก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะหลวงพ่ อ, อืม<ต>ปฏิบัติปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องนะอย่าประมาณนะค่ะหลวงพ่ อ, อืต่อเนื่องคะ่ะหลวงพ่อทุกวันไม่ไม่ได้ขาดค่ะหลวงพ่ อ, อืมเรายังไม่รู้ว่าข้อสอบของเราจะมาเมื่อไหร่นะก่ต้องเดิมเดิเดิค่ะหลวงพ่ออืม วันนี้ก็มีขาวเพิ่งเสดคนหนึ่งเขาก็เพิ่งเสียชีวิตไปเป็นมะเร็งค่ะตักสามารถปีกว่าอันนี้สวยก็ยังยังอายุไม่มากแค่สี่สิบกว่าครมาช่วยทำงานถ่ายทอดสดบนเขาเมื่อก่อนอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวนะคะที่ที่ดูเรือนหรือเปล่ะที่ที่เธอเป็นมะเร็งอยู่อะคะใช่ไหมคะไปที่ใครเนี่ย หมายถึงเนี่ยคะ่ะ ล, ลูกศิษย์ลหลวงพ่อที่ว่าเป็นมะเร็งอันเนี้ยคะ่ะเหมือนมีอยู่คนนึงอคะ่ะที่ที่ว่าเป็นมะเร็งแล้วรักษาอยู่ระยะหนึ่งแล้วมีริ่รักษาค่ะค่ะหลวงพ่ออ๋เอเสียแล้วเหรอคะลหลวงพ่ อ, อเสียแล้วได้ข่าววันนี้งายอมส่งข่าวมาบอกอ่าไม่ว่าคนเราไม่จําเป็นจะต้องแส่ตายนะยังเป็นสาวอยู่ยังตายได้ โง oh, มันมันไม่จํากัดนะคะหลวงพ่ อ, อทุกเวลาทุกอายุทุกข่หลวงพ่อเวลามีกรรมมาทําบุญทํากรรมมาไม่เท่ากันมันถึงเวลาก็ต้องไปตามบุญตามกรรมไปถ้าเราเราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะไปแพ็คกระเป๋าไว้ให้ดีถึงเวลาก็ขึ้นเครื่องได้เลยแพ็คกระเป๋าเตรียมเงนินเตรียมตัวเราเบนไหมพอถึงเวลา<ด>เข้าได้ด์เราไปแล้วก็ไปเลย ก็หลวงพ่อต้องเตรียมพร้อมตลอดจะไม่รู้ว่าจะตอนไหนต่อไม่ได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าต้องต้องเตรียมสเบียงไว้ก่อนค่ะหลวงพ่ออโอเคนะอย่าประมาทนะพระเจ้าบอกให้เรืถึงความตายอยู่ด้วยค่ะหลวงพ่อโอเคท่านไปที่คุณเกศคุณเกศตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองนอกที้กลับมาเมืองไทยนะ อพูดได้แล้วแบบนอนสักการณค่ะอกะแล้วค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่ที่อเมริกาแล้วค่ะอืมที่อเมริกาแล้วตอนนี้ช่วงนี้คงจะหนาวมากนะปีนี้อุ่นกว่าทุกปีแล้วคะ่ะยังไม่มีหิมะหิมะน้อยมากน้อยมากเลยค่ะอากาศน่าจะรวนเพราะว่าอุ่นมากไม่เหมือนเดือนธันวาเลยจะพันัดพันนี้ร่มแปบวยไป่เหมือนนะค่ะ มาเลยเจ้าค่ะขอเปิดสิ่งนี้นะเจ้าค่ะ เ, คเป็นยังไงมีอะไรไหมมีอะไรมาเล่าให้ฟังถามไหมก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ฟังเทศพระอาจารย์ในหลายๆคลิปพระอาจารย์ก็สอนเรื่องอการเข้าสมาธิเพื่อที่ให้เรามีความสุขจากสมาธิ พอเรามีความสุขจากสมาธิเราจะได้ไม่ไปพึ่งความสุขจากข้างนอกมากซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมากเลยเจ้าคะ่ะอยากจะทําให้ได้ตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็ค่ะพรเจารย์แล้วก็เวลาปฏิบัติอ่ะแบบรู้สึกว่าติดคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีเวลาจากัดเราชอบทําในสิ่งที่เราถนัดพื้นที่ให้มันสงบได้ง่ายอะเจ้าค่ะ ก็คือชอบเสวดมนต์แต่ว่าถามว่าบริกรรมได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันแต่พอมีเวลาจำกัดเราก็จะเลือกในในสิ่งที่เราทำแล้วเข้าได้เร็วที่สุดอะค่ะผ่าการ ก, ก็เลยรูสึวันวิธีไหนก็ได้ที่เราถนัดเราวิธีนั้นไปใช่ค่ะก็เลยคิดว่าด้วยด้ว ย, ว, ยวิถีชีวิตเรามีเวลาจำกัดเราไกลวิเวกไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เลย แต่มันจะเป็นการไม่ก้าวหน้าไหมคะอาจารย์เพราะว่าก็มันอยู่เของเราเป็นระดับเป็นชั้นไปไงตอนนี้เราอยู่ชั้นนี้แล้วก็ต้องทําตามตามกําลังของเราไปก่อนแต่กาก้าวหน้าเราก็ต้องเราก็ต้องขยับขึ้นเพิ่มการปฏิบัติให้มันเข้มข้นมากขึ้นไปมันถึงจะก้าวหน้าได้ถ้าปฏิบัติเท่าเดิมมันก็จะอยู่เท่าเดิมเองนะค่ะตอนนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นชั่วโมงหนึ่ง ขึ้นมาสวดมงต์ น, นะคะค่ ะ, ะปฏิบัติให้มากขึ้นอ่าแล้วก็เวลาเวลาสวดมนตนะคะพระอาจารย์พอมสงบในระดับหนึ่งนะคะมันจะมีความรู้สึกแบบหวมันเย็นโลง่งบางทีถ้าสงบมากมันก็เย็นมาถึงตาถึงจมกูกคือเคยมีพระอาจารย์ที่หนับถือท่านถักว่าเราเหมือนเราติดในปีติพอเราได้ประมาณเนี้ยแล้วเรามีความฝุ่นแล้ว เราก็ด้วยเหมือนกับเราแช่อยู่ตรงเนี้ยค่ะอาจารย์มันจริงๆมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไม่ควรมาเขา อ, อ้างว่าเร า, เ, าเราเราปฏิบัติได้แค่มนไ ม, ไม่ไม่ควรขีดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ยก็เราควรจะจะนันสติต่อไปดูลมและพุโทโธต่อไปค่ะมันอาจจะไปเตะก็อย่าเพิ่งหยุดทําต่อให้ทำมันยังไม่ไปถึงวูเบคขาเราต้องไปให้ไปถึงวูเบคขาให้ได้ ซึ่งการสวดมนต์มันไปถึงยากคือเราจะควรจะใชต้ต้องดูลมนะอะไรอย่างเมื่อพุโทโธให้มันจะแต่เบื้องต้นก็อาศัยการสวดมนต์ไปพอถึงขั้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการดูลมแล้วพุโทโธไปก็ได้ซึ่งจริงๆเคยพิจารณาตัวเองทําได้นะคะอาจารย์แค่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเวลาเราเริ่มสวดมนต์อ่ะมันเหมือนรถวิ่งมาเร็วๆมันจะใช้เวลาที่จะแบบให้ใจมันสนุก พอแบบใจมันเริ่มสงบในระดับหนึ่งแล้วเราก็เหมือนหมดเวลาแล้วเราต้องไปทาหน้าที่ทางโลกแล้วก็อาจจะพยายามตื่นเช้ากว่า น, นี้ขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะอาจสวดมนต์40นาทีแล้วก็มาบริกรรมอีก30นาที40นาทีเพื่อให้ได้ ให้ได้ใช้เหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนว่าหมแม่ครัวเรามีอุปกรณ์หลายอย่างเรามีมีเรามีมรามครกมีอะไรนะครับอาจารย์เพื่อให้มันพัฒนาได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ ต, อ ง, ตองพยายามรู้ตัวเองได้ว่าเราอุปกรณ์อไหนเป็นเหมาะกับเราแล้วก็ใช้อุปกรณ์นั้นไปก่อนค่ะอาจารย์ ใช้ไปจนถึงว่าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วเย่างนี้เหระเราจะเราจะรู้เองเราจะพอแล้วเราใช้เวลาหยุดสวดได้แล้วดูลมต่อได้แล้วก็เปลี่ยนมาดูลมเราบริกรรมได้ไหมคะพระอาจารย์ได้บริกรรมพุทโธก็ได้เพราะมันก็มีบางวันเหมือนกันที่เราสงบพอสมควรแล้วรู้สึกว่าทําไมคําสวดที่เราเคยฟังเราเพลาะแล้วเพลิน่ะรู้สึกมันเยอะจังเราอยากแบบให้มันน้อยลงแต่ว่าพุทโธไป แต่คิดว่าหลักๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถกายมีเวกได้นะจาย์เราเนี่ก็ไม่เกี่ยวถ้าเรานั่งสมาธิได้อยู่ที่ไหนก็ก็ทําได้ถ้าละส่วนนั่งส่วนมวได้เราก็นั่งนั่งสมาธิต่อได้มันจะไม่นจะต้องไปอยู่คนเดียวในป่าให้เขาเราอยู่ในห้องของเราคนเดียวมันก็วิเวกของมันอยู่แล้วใช่แต่แบบันึลูกก็มาขอละคะ่ะพระอาจารย์ไม่ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นก็เรา ทำได้ค่ะอาจารย์ร <laughs> แต่หลังแล้วถ้าไม่มีคนเกี่ยวข้องด้วยมันก็มันก็เหมือนไปอยู่ในป่าคนเดียวใช่ใช่ซึ่งจริงๆอะมีพิจารณาตัวเองเราว่าคือทำได้นะคะแต่มันจัดสรรด้วยความเป็นคลาวาวมันไม่ได้ขึ้นทางด่วนเหมือนนะักบวชมันไม่ได้ไม่ได้สมูทนะคะอาจารย์ต้องดีไซน์ มันมีงานยังอื่นต้องทําด้วยมันก็เลยทาให้เวลาการปฏิบัติของเรามไม่มากพอซึ่งเราก็จะทรงได้ประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนปัจจัยอย่างอื่นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คงอย่างนั้นนะต้องต้องเพิ่มการปฏิบัติได้มากขึ้นน้มันสินจะก้าวหน้าได้ถ้าปฏิบัติเท่าเดิมมันก็จะอยู่เท่าเดิ่มขอความพระอาจารย์ต้อง<ม>ไปปรับตารางชีวิตใหม่ แล้วก็มีพอดีว่ามียาติมามาเยี่ยมอะค่ะก็เลยขอขอฝากช็อกโกแลตกลับไปแล้วก็จะให้พี่สาวไปถวายพระอาจารย์ที่วัดยาห์น่ะ<อ>ค่ะพระอาจารย์แล้วการที่เราเอเจริญสมาธิอะค่ะคือตาเป็นอายตนะที่โดนกรนที่สุดเลยคือหูยังเฉยเฉยนะคะอาจารย์เวลาเราไปเนาะ กระริบตาที่เวลานัา่งสมาธิกระพริบตาซึ่งเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะพระอาจารยอายตนะนี้มันมันโดนกวนง่ายมันมันปรุงง่ายฟุงง่งเราใช้เราใช้สายตาเป็นส่วนใหญ่ที่กํังเป่งไรระอาจารย์พระอาสายตาตลอดเวลาเลย<ม>แลวอายะอา ย, อายตนะอย่างอื่นงใช้ใช้ใชบางบางเวลาเวลาคนก็พูดหลังนี้ให่หูฟังนี้<ๆ><ๆ> ตาเนี่ยเรามองทุกอย่างเลยตาเริ่มตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราก็ใช้สายตาแล้วใช่เจ้าค่ะเราเวลาไปข้างนอกอยังไป ท, ทําธุระกับลูกแล้วเ อ, อเราเหมือนกับเราปล่อยลูกได้ถ้าได้หลับตามันเข้าสมาธิได้หรือต่อให้เสียงมีเสียงมา ก, กวนรู้สึกว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าเวลาทําอะไรที่ต้องใช้สายตาเนี่ยแบบมันมันงงง่ายมัน<อ>ง<อ>งง่ายใ ช, ใ ช, ใช่ใช่ใช่จ้าค่ะจ้าค่ะก็ต้องนอนหลับตา อ้าเวลาอยากจะเข้าข้างในเรากต้องปิดตาให้ได้ปิดตาจะช่วยได้เยอะแล้วค่ะแล้วถ้าเรายังไม่ได้สมาธิแบบลึกมากแต่เราพยายามจะพิจารณาไตลักษ์เพื่อที่จะแบบเออไม่ยึดหรือว่า เ, าเพื่อให้จิตใจมันไม่สวิงมาก<ด>ก็สา ม, <ทำ S 1> มารถทําได้ใช่ <ทำ S 1> มคะแต่ช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิไม่ควรพิจารณา ควรจะดูลมเลยพุโทโธแล้วสวดมนต์ไปเจา้าค่ะอีกไกลไหมคะจากปีติไปหาพระผาทนวันมันไม่แน่นะบางทีก็เป็นสิบปีบางทีก็ไม่กี่วันก็ได้แกผ่านมาเลยเจ้าค่ะ <c oughs> อย่าไปกังวลกับ <c oughs> มันขอให้เรามีสติขอให้เราดูลมให้ได้แล้วพุโทโธอย่างเดียวให้ได้แล้วมันก็จะไปไปได้ไกลกว่า การสวดมนตี่มันพาให้เราไปได้ในในระดับหนึ่งแต่จะไปสูงกว่านั้นลึกๆกว่านั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นดูลมหรืพุทโธไปแต่แค่ว่าความสุขจากพิสเกอรจากบีติมันเขาทาให้เราลดละเลิกหลายๆอย่างได้นะคะพัดได้<ๆ>ก็ได้มันก็ไม่ว่าเพ่งแต่ว่ามันยังไปยังไม่เจอเบคามันถ้าเจอเบคามันลดได้หมดเลยมันละได้หมดเลยใช่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากเป็นแบบ มีค่ามากๆเลยที่แบบคนในชีวิตที่จะจะมีสมบัติมีติดตัวแล้วค่ะซัำไายในเป็นซัำมันประเสริฐนะอริยสัมมาสมาิซัมโอเคมีอะไรไหมไม่เราจะพาอาจารย์กลับพอพรคุณพะค่ะขอบคพะคุณค่ะคุณอาพิสิทเชิญคุณพิสิท กลับนมัสการพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามพระอาจารย์ไม่มีคามาําถามนะโอเคครับผมเห็นเข้าไปที่คุณคุณหลาต่อนะคุณหลา ม, มีคําถามไหมกลับนมัสการคร่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับการที่เราตั้งใจจะเดินจงกรมสองชั่วโมงแต่เดินไปได้หนึ่งชั่วโมงคิดว่าถ้าไปนั่งจะสงบกว่า จึงไปนั่งหนึ่งชั่วโมงแทนแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสัจจะไว้หรือเปล่าถ้าเราตั้งสัจจะจะเดินสองชั่วโมงแล้วเราเปลี่ยนใจก็แสดงว่าเราเสียสัจจะแต่ถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องรักษาสัจจะเพราะเราเห็นว่าจากเดินมานั่งเราจะได้ความสงบ ม, มากกว่าก็กสลับได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ควรจะตั้งสัจจะไว้แล้วควรจะตั้งแบบว่า เดินยงกลงไปเงีกว่า จ, จะรู้สึกอยาจะอยาจะสลัมานั่ง ก, ก็สลับมานั่งอันนี้มันมันมันแล้วแต่เราคำถามสุดท้ายการที่ผมทําสมาธิจนเกิดความว่างอยู่เรื่อยๆถ้าตอนตายตายไปพร้อมกับความว่างนี้ผมจะกลับมาเกิดอีกไหมครับกยั ง, งยังกลับมาเกิดอยู่ความว่างนี้เป็นความว่างแบบชั่อคราว มันหินทับหญ้าสมาธินี่มันเหมือนหินทับหญ้าเดี๋ยวพอเอาเอาหินออกจากหญ้าหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้ามันว่างด้วยปัญญามันจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะปัญญาถอนรากถอนโคนของเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือตันหาความอยากแต่สมาธินี้ไม่ไถอนรากถอนโคนเพียงแต่กดเอาไว้พอออกจากสมาธิมาความอยากมันก็ผล่ขึ้นมาได้ก็จะกลับมาเกิดได้ใหม แต่ถ้าถอนรากถอนโคนด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไม่มีตัวที่จะพาให้เรามาเกิดอีกต่อไปโอเคนะสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิ จ, จิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิด